ใครต้องการหนังสือ c ีดีก็หยิบได้นะแจเป็นเหมือนแผนที่ในหนังสือธรรมะแล้วเราก็จะรู้ทิศทางของชีวิตเราว่าเราจะไปทางไหนกันถ้าไม่มีแผนที่เราก็จะไม่รู้ว่าเรากำลังเดินไปทิศไหน มีแผนที่เราก็จะรู้ว่าไปที่ที่ควรจะไปหรือไม่ถ้าไปในทางที่ไม่ควรไปเราก็เปลี่ยนทางได้นังสือ c ีีต้องการก็หยิบได้กำลังพูดว่านังสือนี่เป็นเหมือนแผนที่แผนที่ ที่จะบอกทางที่สถานที่ต่างๆที่เราต้องการจะไปถ้าเราไม่มีแผนที่บางทีเราก็ไปไม่ถูกเราอยากจะไปแต่เราไม่รู้ว่าที่เราอยากจะไปนั้นอยู่ตรงไหนไปอย่างไรชีวิตของเราก็เป็นเหมือนคนเดินทางอตอนนี้เราเดินทางแบบไม่มีแผนที่กัน เราก็เลยไปไม่ถึงที่ที่เราต้องไปแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าเราไปไหนกันเราก็คิดว่าเราเกิดแล้วเราก็ตายเราก็เห็นรู้แค่นี้รู้ว่าเกิดนั้วเดี๋ยวเราก็ต้องแก่เดี๋ยวเราต้องเจ็บแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องตายแต่พอตายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรายัางไปต่อหรือไม่ เราก็เลยไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรดีควรจะเดินไปในทิศทางไหนก็เลยนำเนินไปตามทางที่เราถนัดที่เราชอบทางที่เราถนัดที่เราชอบก็คือการทำตามความอยากต่างๆอยากได้อะไรก็ไปหามาอยากไปไหนก็ไป อยากจะดูก็ไปดูอยากจะฟังก็ไปฟังอยากจะไปดื่มอยากจะไปรับประทานคือทุกวันนี้เราไม่ได้ทำอะไรเ ร, เราทำตามความอยากของเราเพราะเวลาทาตามความอยากของเราเรารู้สึกว่ามีความสุขเราจึงทำตามความอยากกันเราอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยความอยาก อยู่ได้ทำตามความอยากเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วไม่ได้ทำมันก็ไม่สบายใจถ้าได้ทำมันก็สบายใจแล้วก็มีทั้งชีวิตของเราพอ เ, เกิดมานะแล้วเราก็อยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากลิบอยากดมกลิ่นลิ้มอกอยากสัมผัสอะไรต่างๆผ่านทางร่างกาย แล้วก็ทําไปตามความอยาก อ, อยากได้อะไรก็หามาเพระคิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขอยากได้เงินทองก็ไปหากันมาก็มีเงินทองแล้วก็สามารถซื้ออะไรต่างๆได้อยากได้แฟนก็หาแฟนอยากได้ลูกก็ ทำลูกกันขึ้นมากำเนิดลูกกันขึ้นมาอยากได้อะไรเราก็สร้างกันขึ้นมาอยากได้บ้านใหญ่โตขนาดไหนเราก็สร้างกันอยากได้รถยนต์อยากได้อะไรพอเราเวลาได้ได้ดังใจอยากแล้วเราก็มีความสุขกันแต่มันเป็นความสุขที่ ไม่ทาวนทั้งนั้นเองเพรเดีเออ๋ยวสิ่งที่เราได้มามันมันหมดไปมันจากเราไปเราก็ได้ความเสียใจมาแทนที่จะได้ความสุขเราก็เสียใจกันเวลาเราเสียแฟนไปเราก็เสียใจเสียลูกก็เสียใจเสียข้าวของเงินทองไป ก็เสียใจแล้วเราก็ไปหามาใหม่มาทดแทนเพราะเรายังอยากได้สิ่งเหล่านี้อยู่อยากมีสิ่งเหล่านี้อยู่เอการมีสิ่งเหล่านี้มันทําให้เรามีความสุขกันแต่ต่อให้เราหามาได้มากน้อยเพียงไรเดี๋ยวก็ต้องมีการจากกัน อ, อีกเขาไม่จากเราเราก็จากเขา ร่างกายของเราในที่สุดก็ต้องตายไปพร่างกายตายไปเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาได้ตอนจากกันก็เลยเป็นเวลาที่เศร้าสศกเสียใจกันร้องห่มร้องไห้กันนี่คือการดำเนินชีวิตของพวกเราแบบไม่มีแผนที่ ดำเนินไปตามความรู้สึกนึกคิดตามความอยากของเราแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราจะไปไหนต่อแล้วเราอยู่ดีมาเกิดได้ยังไงเราก็ไม่รู้อยู่ดีๆมาเกิดมาโผล่ขึ้นมา ในโลกนี้ขึ้นมาได้ยงไงเราก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันเราไม่รู้ด้วยว่าเราเป็นใครเราเราก็คิดว่าเราเป็นร่างกายพอร่างกายตายไปเราก็ตายไปกับร่างกายหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ ถ้าเราไม่ได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้เรื่องราวของเราอย่างแท้จริงเราก็จะคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วพอร่างกายตายไปเราก็ตายไปกับร่างกายชีวิตของเราก็จบแล้ววันดีคืนดีเราก็โผล่ขึ้นมาใหม่โดยที่เราไม่รู้สึกตัว ออมาจากไหนก็ไามา่รู้รู้เพียงแต่ ว, ว่าออกมาจากท้องแม่แล้วเราก็มาทำตามความอยากต่อไปแล้วก็มาดีใจมาเสียใจมาสุขใจตอนต้นแล้วก็มาเสียใจตอนปลายชีวิตของพวกเรานี้ต้นทุกปลายกันตอนตอนเกิดตอนที่กำลังเจริญเติบโต นเป็นหนุ่มเป็นสาวมีกำลังมังชามีความสามารถที่จะทำอะไรตามความอยากต่างๆได้เราก็มีความสุขกันแต่บางทีก็ต้องเจอความทุกข์เพราบางทีไม่สามารถทาสิ่งที่เราอยากได้หรือได้สิ่งที่เร า, าได้มารับสูญเสียสิ่งที่เราได้ไป ชีวิตของเราก็อะไเป็นความเป็นชีวิตที่มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์คุกเข้ากันไปไม่รู้ว่าวันไหนจะเจอความทุกข์กันเพราะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเยอะแยะที่จะมาทําให้เราทุกข์ได้อาจจะทุกข์กับฝนฟ้าอากาศอาจจะทุกข์กับ การงานหน้าที่การงานทำแล้วอาจจะตกงานเขาให้เราออกจากงานหรือเขาโยกย้ายเราให้ไปทำในที่ที่เราไม่อยากไปชีวิตของเราก็เจอความทุกข์กันอยู่เรื่อยบางทีเงินทองก็ไม่พอใช้ พอใช้มากเกินไปเวลาเห็นอะไรอยากได้ก็ซื้อกันซื้อกันแล้วพอพอต้องซื้อของจําเป็นก็ไม่มีเงินซื้อกันนไม่สบายไปรักษาก็ไม่มีเงินรักษาพยาบาลมีอะไรร้อยแปดมีความทุกข์ร้อยแปดพันประการ แต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็แต่ได้ร้องหมร้งองไห้หรือไปวัดก็ไปขอให้พระเป่าหัวให้ขอให้ความทุกข์ต่างๆหายไปให้พระเคาะหัวให้เป่าหัวให้จะได้มีแต่ความสุขก็ยังไงเป่ายังไงมันก็ทุกข์อยู่เหมือนเดิม เพราะการกระทาของเรามันนำไปสู่ความทุกข์กันเราไปหาความสุขจากสิ่งที่ไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงเราก็ทุกข์กันคาว่าไม่เที่ยงก็คือมันหมดมันไม่ท้าวรอนมันเป็นของชั่วคราวเราจึงต้องหาอยู่เรื่อยๆไปเที่ยวกันอยู่เรื่อยๆเวลาไปเที่ยวก็มีความสุขกัน พอกลับมาบ้านความสุขนั้นก็หายไปก็ต้องไปเที่ยวใหม่แล้วพอไม่มีเงินเที่ยวก็ทุกข์กันอยู่บ้านก็ทุกข์กันบางคนไม่มีเงินเที่ยวก็เลยต้องหาเงินแบบวิธีที่ไม่ไม่ถูกต้องไปทำผิดกฎหมายค้ายาเสพติดหรือทำอะไรที่มันผิดกฎหมายเมื่อพอถึง ตำรวจจับก็ทุกขอีกแล้วนี่ต้องไปอยู่ในคุกคในตารางรอขึ้นศารลรอให้เขาตัดสินแล้วถ้าเขาตัดสินให้จาคุกคหนกีก็ยิ่งทุกข์อีกเดี๋ยวก็ตามจับอีกเพราไม่ยอมติดคุกคกันถ้าไม่อยากติดคุกคก็อย่าไปทำผิดกฎหมายมันก็ไม่ต้องติดคุก ถ้าไม่ต้องถ้าไม่ทําผิดการมันจะไม่ทําผิดกฎหมายก็คืออย่าไปใช้เงินเกินเกินตัวให้ใช้เงินพอพอตัวขาดก็ไม่ต้องใช้ไม่มีเงินใช้ก็ไม่ต้องใช้เลยมันก็ไม่ต้องไปทําบาปไม่ต้องไปทําผิดกฎหมายมันก็ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางถ้าติดถ้าแหกคุกหรือหนีก็เดี๋ยวก็ถูกเขาตามจับ ถ้าต่อสู้ก็ถูกก็ยิงตายเนี่ยการดำเนินชีวิตของคนเราดาเนินถ้าดำเนินไปทางความอยากมันก็จะพาไปสู่จุดนั้นไม่ชา้าก็เลยวันใดวันหนึ่งบางคนก็ไม่ต้องให้คนอื่นเข้าฆ่าบางคีก็ฆ่าตัวเองพอสูญเสียสิ่งที่รักไปสูญเสียเงินทองไป ไม่มีปัญญาที่จะหาเงินทองไม่สามารถอยู่แบบที่เคยอยู่ได้ก็ไม่อยู่ดีกว่าข้าตัวตายดีกว่านี่คือเส้นทางของกรรนาํำเนินชีวิตของพวกเราเรากําลังเดินไปสู่ความทุกข์กันเนพราะเราไปหาสิ่งที่มันเป็นทุกข์กั น, นพอมันไม่เที่ยง เราคิดว่ามันสุขเราคิดว่าลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกิ่นรสต่างๆเป็นความสุขกันหาเงินหาทองกันเพื่อเราจะได้มีความสุขกันหาตำแหน่งหารางวี้รางวัลให้ให้คนเข้ายกย่องสรรเสริญเยนยอหากรรมสรรเสริญเยนยอ หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแต่ไม่รู้ว่ามันมีวันที่จะจากเราไปได้ถ้าเราจากมันไม่เป็นไรเช่เวลาเราตายไปอย่างน้อยมันก็ก็ทุกข์หนเดียวทุกตอนตายแต่ถ้ามันจากไปก่อนเราตายนี่มันก็มันก็ลาบากเพราะเรายังอยู่แต่อยู่แบบไม่สุข ก็ไม่อยากอยู่เองบางคนก็ฆ่าตัวตายไปถ้าทำใจไม่ได้บางคนก็ทำใจอ่ะเริ่มต้นใหม่หมดเนื้อหมดตัวก็เริ่มต้นใหม่ไปหางานทำใหม่เก็บเงินเก็บทองใหม่พอเก็บได้ก็เอาไปใช้ใหม่แล้วเดี๋ยวก็หมดอีกนี่คือชีวิตของพวกเรา เกิดมาถ้าเราไม่มีแผนที่เราก็จะเดินไปในทางนี้เป็นส่วนใหญ่กันเดินไปทางความอยากกันแล้วก็ไปทุกข์กันเวลาต้องสูญเสียสิ่งที่เราลักเราชอบไปแต่ถ้าเราได้มีโอกาสมาศึกษามาอ่านแผนที่ ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาดูแผนที่พระพุทธเจ้าก็จะชี้บอกว่ามีทางที่จะพาเราไปสู่ความสุขกันทางที่จะพาให้เราไม่ต้องมาทุกมาเศร้าโศกเสียใจกันถ้าเราเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้เดินได้เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ แต่ทางของพระเจ้านี่ก็เป็นทางยีบนําบากเพราะมันเป็นทางขึ้นเขาต้องปีนป่ายกันมันจึงไม่ง่ายเหมือนทางที่พวกเราไปกันทางที่พวกเราไปเป็นทางเดินลงเขากันแต่มันลงสู่นรกกันทางไปนรกนี่มันไปง่ายเพราะมันเดินลงทางไปสวรรค์นี่มัน มันไปยากเพราะว่ามันต้องปีนกันต้องเ ด, เดินขึ้นเขากันเป็นทางลาดเป็นชันทางชันถึงแม้มีแผนที่บางคนก็ไม่อยากไปกันยังอยากจะไปเดินลงเขามันง่ายกว่าเงินสบายกว่าการทำตามความอยากนี่มันง่ายกว่าการไม่ทำตามความอยาก เราแต่เจ้าบอกว่าเราต้องฝืนความอยากเราต้องอยากไปทําตามความอยากเพราะความอยากมันมันจะพาเราไปสู่ที่ต่ําพาไปสู่ที่ที่ต้องผิดหวังที่จะต้องเสียใจที่จะต้องร้องห่มร้องไห้ที่จะต้องไปติดคุกติดตารางให้ไปในทางที่ไม่ไม่ต้อง ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องติดทุกขกิจตรางแต่มันลำบากหน่อยเพราะมันต้องปีนป่ายมันเหมือนเดินขึ้นเขาต้องมีความขยันต้องมีความอดทนถึงจะสามารถที่จะไปถึงที่จะให้แต่ให้เรามีแต่ความสุขเป็นที่ที่ปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆ ต้องสอนว่าเวลาเราทํามาหากินเราก็ทําเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วถ้าเรามีเงินมากกว่าที่เราจะใช้กับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็อย่าเอาไปใช้ตามความอยากกันเพราะว่ามันจะทําให้เราใช้ใช้ไม่พอไม่พอใช้เพราะความอยากนี้มันจะไม่ได้ทําให้เราพอ พอเราใช้แล้วมันก็อยากอีกถ้าเราไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็อยากไปเที่ยวต่อเราไปซื้อของอะไรเดี๋ยวก็เราก็อยากจะซื้ออีกซื้อเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวก็เห็นเสื้อผ้าชุดใหม่ออกมาก็อยากจะได้อีกเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าเห็นเห็นนาฬิกาเห็นโรัรศั์มือถือเห็นรถยนต์เห็นอะไรต่างๆเห็นแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมา ถ้ามีเงินก็ซื้อทันทีแล้วซื้อบ่อยๆมันก็หมดเงินก็หมดได้เป็นนี้เป็นสินขึ้นมาได้ยิ่งสมัยนี้เขามีวิธีหลอกล่อให้เราซื้อแบบเงินผ่อนซื้อเรามีเงินแค่นี้ก็ซื้อได้แล้วแล้วก็ไปเป็นหนี้ต้องไม่ผ่อนแล้วถ้าผ่อนไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องถูกเขายึดของคืนไป เราได้ของอะไรมาแล้วเราก็ไม่อยากให้เขาออกไปบางทีเราก็ต้องเลยต้องไปทําบาปกันไปทําผิดกฎหมายกันเพื่อที่จะได้เอาเงินทองนี้มามาจ่ายหนี้ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเราจะได้เก็บข้าวของต่างๆที่เราซื้อมาเพื่อเราจะได้ดําเนินชีวิตแบบที่เราดําเนินอยู่คืออยู่แบบสบาย อยากจะเที่ยวก็ได้เที่ยวอยากจะไปทำอะไรก็ได้ไปทำแต่มันก็จะต้องใช้เงินทองที่เราไม่ไม่สามารถที่จะหามาใช้ได้ในที่สุดถ้าเราหักข้ามใจไม่ได้เราก็จะไปทำผิดกฎหมายแล้วถ้าถูกจับก็ต้องไปรับรับผลรับกรรม ที่เราทำกันนี่คือการทําตามความอยากมันง่ายแต่มันจะพาเราไปสู่ความทุกข์กันถ้าเราฝืนความอยากนี้เช่นเราอยากจะเอาเงินไปซื้อของต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อเราก็บอกเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้วันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้อะไรหรือเปล่าร่างกายไม่สบายหรือ เรารายได้ตกไม่มีรายได้มาหางานงานต้องออกจากงานหรือไม่สบายไปทำงานไม่ได้ไม่มีรายได้เราก็อย่างน้อยมีเงินทองสำรองไว้จะได้มีเงินซื้อข้าวซื้ออะไรที่จาเป็นดันันคจะหาข้ามจิตใจอย่าไปใช้เงินตามความอยากกัน อันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าจสอนถ้าเราอยากจะอยู่อย่างไม่มีปัญหาคืออยู่แบบไม่มีหนี้สินถ้ามีหนี้สินแล้วมันก็ต้องชดใช้แล้วเราก็ไม่อยากจะชดใช้เพราะว่าเราอยากจะเอาเงินที่ไปใช้หนี้นี้ไปใช้อย่างอื่นไปใช้ตามความอยากเพราะถ้าเพราะถ้าเราใช้เงินตามความอยากแล้วมันจะติดเป็นนิสัย มันจะใช้ไม่หยุดใช้ไม่พอดเงนั้นพเจ้าถึงสอนให้อยู่แบบมักน้อยสังดดอย่าไปอยากได้ของมากเกินความจำเป็นเอาเท่าที่จำเป็นเสื้อผ้าสักกี่ชุดเอาเท่าที่จำเป็นอย่าเห็นเสื้อผ้าแล้วสวยก็อยากจะซื้อขึ้นมาแล้วก็มีเต็มตู้ล้นตู้ เื้อผ้าที่ซื้อมาแล้วนี่เวลาเราขาดเงินขาดทองเอาไปขายไม่ได้กี่ตังค์แต่ถ้าเงินที่เราจะไปซื้อเสื้อผ้านี่เก็บไว้เราจะเก็บเงินได้เยอะแยะในเวลาเราเดือดร้อนเราก็จะได้มีเงินทองใช้ยามเดือดร้อนไม่ต้องไปทำผิดกฎหมายไม่ต้องไปทำบาปอันนี้คือให้เรารู้จักอยู่แบบ ไม่สร้างภาระให้กับเราไม่กดดันให้เราต้องไปทำผิดกฎหมายไปทำบาปหรือไปข้าตัวตายก็คือการรู้จักใช้เงินโดยประมาณใช้เท่าที่จำเป็นแล้วก็อย่าไปใช้ตามความอยากอย่าไปใช้เพื่อให้เกิดความสุขความเพลิดเพลิน ถ้าจะเอาเงินไปใช้เพื่อให้เกิดความสุขความเพลิดเพลินเนช่นไปท่องเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาเงินนี้ไปทําบุญดีกว่าเพราะทําบุญแล้วจะทําให้เราอิ่มใจสุขใจจะทําให้เราตัดความอยากที่จะใช้เงินไปเที่ยวได้จะตัดความอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆได้เพราะเวลาทําบุญแล้วใจมันจะอิ่ม มันจะไม่เกิดความอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไม่มีความอยากที่จะไปเที่ยวลองทำดูถ้าอยากจะไปเที่ยวอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยเอาเงินมาทำบุญดีกว่าทำบุญแล้วจะทำให้ความอยากไปเที่ยวมันน้อยลงอ่อนลงอ่อนกำลังลงความอยากซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอ่อนกำลังลงไป เราจะทําให้เราอยู่เฉยๆได้อยู่บ้านก็จะไม่รู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจไม่รู้สึกว่าเหวไม่รู้สึกเศร้าสร้อยง่อยเหงาคว่มรู้สึกเหล่านี้มันเกิดจากความอยากไปเที่ยวอยากจะออกนอกบ้านกันพอไม่ได้ออกนอกบ้านมันก็เลยรู้สึกหงุเจ็ิดลาคาญใจกันถ้าอยากออกนอกบ้านก็ไปวัดไปทําบุญที่วัดเอแล้วใจจะมีความสุขมีความสบายใจ จะสุขมากสุกน้อยก็อยู่ที่ทํามากทําน้อยถ้ายิ่งทํามากก็ยิ่งสุขมากทําน้อยก็สุขน้อยเพราะการทําบุญนี้เป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารเป็นอาหารของใจถ้าเรารับประทานอาหารจานเดียวเราก็อิ่มน้อยกว่าเรารับประทานสองจานรับประทานสามจานยิ่งอิ่มใหญ่การทําบุญก็เหมือนกัน ทำน้อยก็มีความอิ่มใจน้อยมีความสุขใจน้อยทำมากก็จะมีความสุขใจมากแัะ น, นเอาเงินที่เราจะไปใช้เที่ยวเอาเงินที่ไปซื้อของไม่จําเป็นเอาเงินที่จะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกตื้งกายนี้เอามาทำบุญดีกว่าเพราะเป็นการซื้ออาหารให้กับใจที่จะทำให้ใจมีความอิ่มมีความสุขมีความพอ ถ้าเราเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นเหมือนกับการไปซื้อยาเสพติดซื้อมาแล้วพอเสพปับ๊บมันก็หมดไปแล้วความอยากจะเสพมันไม่หมดมันอยากจะเสพต่อก็ต้องไปซื้อมาอีกต้องไปเที่ยวอีกแล้วมันเที่ยวเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอมันกลับจะมีแต่ความหิว ความอยากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือสาเหตุที่คนเราทำไมต้องไปทำผิดกฎหมายกันไปทำบาปกันก็เพราะซื้อไปซื้อยาเสพติดให้กับใจคือของเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันใจก็ยังหิวเหมือนเดิมเพราะไม่ได้ไม่ได้รับอาหาร อาหารของใจก็คือการทำบุญทาทานถ้าเอาเงินไปทำบุญทาทานแล้วใจจะรู้สึกอิ่มรู้สึกสบายรู้สึกพอจะไม่หิวโหวยกับรูปเสียงกลิ่นรสจะไม่หิวโหวยกับของพุ่งเฟยต่างๆอันนี้ก็จะทำให้เราไม่ต้องใช้เงินมากเกินไปเพราะว่า เวลาเราไม่มีเงินที่จะทำบุญเราก็ไม่ต้องทำออก็ได้ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเราได้ทำพอแล้วทำตามกำลังของเราทำเท่าที่เราพอจะทำได้พอไม่มีทำเราก็อยู่เฉยๆได้ mm. เงินที่เราต้องเก็บไว้ก็เก็บไว้เรามีเงินสําลองไว้เวลาที่เราขาดแคลนเงินทองเราก็จะไม่เดือดร้อน นี่คือแผนที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามักน้อยหรือสันโดษอันนี้เป็นธรรมที่จะทาให้เราปราบความอยากความโลภต่างๆได้ความโลภ ก, ก็คือความมากมากความมั ก, กน้อยก็จะเป็นคู่ต่อสู้กันถ้าเรามักน้อยเราก็จะไม่มักมากเราไม่มักมากเราก็จะไม่โลภ แล้วเราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขกับมีความโลภเวลาเรามีโลภมีความโลภแล้วใจเราอยู่ไม่เป็นสุขต้องไปทําตามความโลกถึงจะมีความสุขแต่เวลาที่เราไม่โลภเราอยู่เฉยๆได้อย่างตอนนี้เราไม่โลภเรานั่งเฉยๆฟังเพลงฟังธรรมได้แต่ถ้าเกิดความโลภอยากจะไปกินขนมอยากจะไปดื่มเครื่องดื่มหรืออยากจะไปดูอยากไปฟังอะไร มันก็จะทำให้เราอยู่เฉยๆไม่ได้งั้นเราต้องมักน้อยวิธีมักน้อยก็คือให้ใช้เหตุผลว่าสิ่งที่เราต้องการนี้ถ้าเราไม่มีเราจะตายหรือไม่ถ้าไม่ตายก็สแสดงว่าไม่จำเป็นต้องมีมีเท่าที่จำเป็นคำ ว, ว่ามักน้อยก็คือให้มีสิ่งที่จำเป็น ถ้าสิ่งไหนไม่จำเป็นไม่มีขาดมันแล้วไม่ตายก็อย่าไปมีมันเก็บเงินไว้ดีกว่าเงินนี้มีเงินไว้ดีกว่าไม่มีเงินนี้จำเป็นเวลาเดือดร้อนอะไรขาดแคลนอะไรก็มีเงินใช้ได้ทำไมเอาเงินไปทิ้งกันหมดเอาเงินไปซื้ของที่เราพึ่งไม่ได้เอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าเอาเงินไปซื้อของอะไรต่างๆพอเวลาเราเงินเดือดร้อนเราอะ เอาของพวกนี้ไปขายได้แล้วกปล่าทำไมเอาของดีๆไปแลกกับของไม่ดีทำไมเงินทองนี่เป็นของดีอจาตายไป ท, ทำไมไม่ทาไมไม่เก็บกันทำไมเอาไปใช้กันทำไมเงินทองนี่มีไว้เพื่อช่วยเหลือเราในยามยากไม่ได้มีไว้สำหรับให้เราไปถลุงใช้ซื้อของฟุ่งเฟือยต่างๆเอาไปซื้อของที่ไม่ที่เราพึ่งไม่ได้ในวันหลังวันในวันหน้า ซื้อข้าวของมาต่างๆแล้วเกิดเวลาต้องใช้เงินทางไงของเหล่านี้ขายก็ไม่มีใครซื้อขายก็ต้องขายแบบของทิ้งแล้วขายก็ได้ไม่กี่ตังเวลาซื้อมานี่ซื้อมาหลายร้อยเวลาขายไปได้ไม่กี่สิบบาทเราโง่หรือเราฉลาดกันนะซื้อมาแล้วก็ามาวางไว้เกะ ก, กะในบ้านใช่ไห เสื้ผ้านี้เต็มตู้ไปหมดนะบางทีใส่ไม่กี่ครั้งก็ไม่ได้ใสนะ่ละเก็บเป็นเงินทองไม่ไมดีกว่าลนะออบอุ่นใจกว่าเพราะเงินทองนี่สามารถที่จะเอาไปใช้ไรายได้ในอย่างที่เราจําเป็นต้องใช้เพราะฉะนนให้ใช้ความมากน้อยใช้เหตุผลว่าสิ่งที่เราอยากได้นี่มันจําเป็นไหม ถ้าไม่มีมันแล้วเราจะตายไหมหรือเราจะลาบากไหมถ้ามันจำเป็นก็ซื้อมาถ้ามันไม่จำเป็นก็อย่าไปซื้อมาเงินดีกว่ามีเงินไว้ดีกว่ามีข้าวของไปเที่ยวนี้จำเป็นไหมไปเที่ยวนี้เงินหมดไปกี่ตังค์อยู่ดีๆก็เหมือนถูกปล้นไปเที่ยวกลับมาเงินหมดไปเป็นพันเป็นหมื่นแล้ว ถ้าไม่ไปเที่ยวก็ยังเก็บเงินเงินพันเงินหมื่นนี่ไว้ได้ฝากธนาคารไว้ยังมีดอกด้วยให้ดอกเพิ่มขึ้นไปอีกหรือถ้าฉลาดก็ไปลงทุนไปทำธุรกิจไปทำมาคาขายเงินทองที่มีก็กลับจะมีเพิ่มมากขึ้นไมพวกเรานี่โง่โง่โง่กง่โ ง, ง, ง, ง่ตรงที่ฉลาด งงตรงที่รู้จักใช้เงินแต่มันรู้จักหาเงินกันคนฉลาดนี่เขารู้จักหาเงินแต่เขาไม่รู้จักใช้เงินเขาถึงรวยกันคนรวยนี่เขางงนะง่ตรงที่เขาไม่รู้จักใช้เงินรู้แต่รู้แต่เก็บรู้แต่หาเท่านั้นเขาถึงรวยกันคนจนนี่ฉลาดใช้เงินแต่ง่หาเงินหาเงินไม่เป็น ก็เลยโจนกันต้องติดคุกติดตารางกันเพราะเวลาเงินไม่ทองไม่พอใช้ก็ไปทำผิดกฎหมายกันเนี่ยถ้าเรามาศึกษามาอ่านแผนที่ของชีวิตเราก็จะได้รู้จักวิธีดำเนินชีวิตที่จะพาให้เรานี้ไปเจอแต่ความสุขอยู่ห่างไกลาจากความทุกข์ คือความมากน้อยหรือความสันโดษความสันโดษก็คือยินดีตามมีตามเกิดเรามีอะไรก็ให้เราพอใจกับสิ่งที่เรามีตอนนี้เรามีแค่นี้ก็อยู่ได้ไม่ใช่หรอตอนนี้ก็อยู่ได้กันไม่ใช่ทำไมต้องอยากมีอะไรเพิ่มเติมทำไมอยากแล้วมันเหนื่อยนะอยากแล้วมันก็ต้องไปดิน้นล้นไปหามาหามาแล้วเดี๋ยวก็ใช้หมดหมดแล้วก็หามาใหม่ เนยกับการหาเวลาทำงานนี่สนุกไหมวันจันทร์นี้ไม่อยากมีใครอยากจะตื่นเลยพ อ, ถ, พอถึงวันจันทร์ทีไรโอ้ไม่อยากไม่อยากจะตื่นเลยแต่พอถึงวันศุกร์เมื่อไหร่โอ้โหดีใจเลยเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์จะได้ไม่ต้องทำงานนะจะได้เที่ยวจะได้เล่นกัน พยายามอย่าไปาหาความสุขแบบนี้ทำงานหาเงินหาทองเก็บเงินเก็ บ, กบทองไว้เพื่อไว้ใช้ดูแลเลี้ยงดูชีวิตของเราที่ยังต้องอยู่ต่อไปจนถึงวันตายซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะตายเมื่อไหร่แล้วถ้าขาดเงินขาดทองนี่มันก็จะลำบากพยายามเก็บเงินเอาไว้อย่าไปเที่ยวถ้าจะเที่ยวก็เที่ยวแบบไม่ต้องเสียเงินไปเดิน ไปเดินออกกําลังกายในอในสวนได้ประโยชน์ได้ทั้งออกกําลังกายได้ทั้งอได้ทั้งประหยัดเก็บเงินเก็บทองมากอย่าไปเที่ยวแบบที่จะต้องเสียเงินถ้าจะดูก็ดูของที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อทีวี TV ที่ไม่ต้องอไม่ต้องจ่ายรายเดือนจ่ายค่าอะไรต่างๆดูของฟรีไปอันนี้ก็จะทําให้เราอ มีเงินทองเหลือชา้าเหลือกินไม่เดือดร้อนระวังเรื่องการทำตามความอยากนี่มันจะพาให้เราไปสู่ความหายนะันต์ถ้าเราอยากจะมีความสุขมากกว่าที่เรามีอยู่นี่เราสามารถมีได้ด้วยการนั่งเฉย ทำใจให้หยุดคิดให้ไ <sniff> ด้แล้วเราก็จะได้ความสุขแบบที่ดีกว่าและไม่ต้องเสียเงินทองความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆดีกว่าความสุขที่เราได้จากการมีแฟนความสุขที่ดีกว่าจากการที่เราไปกินเวียงไป ดูไปฟังไปทำอะไรต่างนะถ้าเรามีมากน้อยสันโดนแล้วชีวิตเราจะลมเย็นเป็นสุขเงินทองจะเหลือใช้แล้วขยันหมั่นเพียรเอาเองินนี้ไปไปต่อยอดเอาเองินนี้ไปลงทุนไปเปิดร้านขายของ ไปขายไปขายท้าวของซื้อของมาขายก็จะมีรายได้เพิ่มหรือนม่ก็ไปซื้อหุ้นก็นได้ไปลงทุนกับบริษัทการบินไทยเรือบริษัทไรที่เขามีกาไร <c oughs> เราก็ไปซื้อหุ้นเก็บไว้ <c oughs> ถ้าไม่อยากจะเสี่ยงก็เอาไปฝากกินดอกถ้าดอกไม่พอ ถ้าเรามีเวลาบ้างหาลำไพ่พิเศษไปทำงานขายประกันหรไปซื้อของอะไรมาขายดีกว่าเอาเวลาไปเที่ยวไปเที่ยวก็มีแต่เสียเงินเสียทองแล้วถ้าอยากยัมีความสุขก็นั่งสมาธิกันดีกว่าอัดนั่งสมาธิอาจไหว้พระสวดมนต์กันหาความสุขแบบที่ไม่ต้องเสียเงิน คำรอได้ว่าความทุกจะน้อยปัญหาจะน้อยถ้านั่งสมาธิได้มีความสุขจากการนั่งสมาธิไม่ต้องมีแฟนก็ได้ความสุขที่ได้จากสมาธิดีกว่าการมีแฟนมีแฟนนะเดี๋ยวมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกต้องริ่มนอนหาเงินหาทองมาเลี้ยงลูกเหนื่อยยากสุดแล้วต้องมาห่วงมากังวลกับลูก แล้วก็มาเสียใจเวลาลูกไม่ดีเวลาลูกนือเวลาลูกไม่เชื่อฟังเวลาลูกไม่เคารพเวลาลูกก้าแล้วเพราะเราต้องมีแฟนพอมีแฟนมันก็เลยมีลูกกันถ้าเรานั่งสมาธิได้ทําใจให้สงบมีความสุขจากการนั่งสมาธิเราก็ไม่ต้องมีแฟนเราก็ไม่ต้องไป เหนื่อยยากกับการหาเงินหาทองมาเลี้ยงลูกกันการมีลูกนี่ก็เป็นการสร้างหนี้ขึ้นมาเลี้ยงลูกคนยังนี้หมดไปกี่แสนกี่ล้านกว่ามันจะโตได้กว่าที่มันจะไปทํามากินเองได้ไม่ต้องมาขอเงินทองจากเราเนี่ยบวกไปกี่ตังค์ปีหนึ่งกี่ตังค์อย่างน้อยก็ยี่สิบห้าปีกว่ามันจะเรียนจบกว่ามันจะเป็นตัวของมันเองได้ เงินที่เราหามาเลี้ยงยี่สบเลี้ยงนูกยี่สิบห้าปีถ้าเราเอาเก็บมาไว้เราเป็นเศรษฐีกันละมหัดนั่งสมาธิกันดีกว่ า, านั่งสมาธิแล้วใจสงบแล้วมีความสุขก็จะไม่ต้องใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆไม่ต้องซื้อของฟุ่มเฟือยไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปทำอะไรต่างๆที่คนก็ททำกันอยู่ทุกวันนี้ ที่ทำกันนี้ก็เพื่อหาความสุขกันแต่กับกลายเป็นความทุกข์กันเพราะต้องหาเงินหาทองมาซื้อของมาเที่ยวกันแล้วพอเงินทองไม่พอก็ไปทำบาปกันทำผิดกฎหมายกันแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นลองขึ้นศาลติดคุกติดตารางกันเองมีธรรมะสามข้อมักน้อยสันโดษนะ อยาา ม, มากน้อยเอาเน้นน้อยเอาเท่าที่จาเป็นหรือหรือถ้าไม่ได้แต่สิ่งที่จำเป็นก็ยินดีตามมีตามเกิดยอมอดอยากอดบ้างกินบ้างอต่ จ, จะไม่ไปดิ้นรนไปกับการที่จะไปทำตามความอยากตา่ตางๆไม่มีเงินใช้ก็อย่าไปใช้มันอย่าไปสร้างหนี้อย่าไปหาเงินมาแบบที่ผิดกฎหมาย ถ้ามีมากน้อยสันโดษมันก็จะไม่ต้องทำสิ่งที่เสียหายกับเราแล้วถ้านั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ก็จะมีความสุขจะไม่ต้องอาศายเงินทองเก็บเงินทองไว้สำหรับใช้เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายไปเรื่องของใจก็นั่งสมาธิกันพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดพยายามหัดท่องพุทโธไปทั้งวัน พราะถ้าไม่ท่องพุโทโธเวลานั่งมันจะไม่ยอมท่องมันจะขี้เกียจมันจะคิดเรื่อง น, นั่นเรื่อ ง, งนี้แทนแต่ถ้าเราหัดท่องพุโทโธเป็นต่อไปมันเวลานั่งมันจะตั้งพุโทโธพุทโธไปมันจะไม่คิดอะไรแล้วพอไม่คิดอะไรมันก็สงบมันก็เย็นมันก็สบายมีความสุขมีความอิ่งไม่อยากได้อะไรเงินทองก็ไม่ต้องแตะสักบาทหนึง่งหาเงินมากี่บาทก็เก็บไว้ได้หมดเลยใช้แต่ กับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเช่นใช้ซื้ออาหารใช้ซื้อยารักษาโรคจ่ายค่าเช่าบ้านหรือค่าน้ำค่าไฟถ้าใช้จ่ายที่จำเป็นเราก็จะมีเงินทองเหลือถ้าเราขยันก็เอาไปลงทุนไปซื้อของมาขายซื้อขายของนี่มันได้กาไรนะซื้อของมาขายไปเราก็ได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีก การที่จะเอาเงินทองไปเที่ยวเสียเงินทองไปเราเวลาม า, าหาหาหารายได้พิเศษด้วยกันเช่นวันหยุดแทนที่จะไปเที่ยวเที่ยวก็เสียเงินแต่ถ้าไปหาไปทํเนาะไปหาไรายได้พิเศษก็ได้เงินเพิ่มขึ้นหน่อยเงินมีเยอะๆไว้มันก็ดีเพราะเงินนี้มันสารพัดมันสารพัดประโยชน์เป็นแก้วสารพัดนึก เวลาจำเป็นจะต้องใช้อะไรก็เอาเงินนี้ใช้ได้แล้วถ้ามีถ้ามีมากเกินไปแล้ว อ, อยากจะทําบุญก็เอาไปทําบุญได้ทําบุญก็จะมีความสุขใจเอ็นใจทําบุญนี้ก็ดีเพราะเงินที่เราทําบุญนี่ไม่สูญเป็นเหมือนเอาเงินไปฝากธนาคารของชาติหน้าเดี๋ยวตายไปชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่ก็เบิกได้ คนที่กลับมารวยนี่ชาติก่อนเคยทำบุญไว้ถึงมาเกิดรวยคนที่เกิดจนก็เพราะชาติก่อนไม่เคยทำบุญเหมือนกับคนที่ฝากเงินในธนาคารกับคนที่ไม่ฝากคนฝากเงินธนาคารฝากเรืเ่อยเดี๋ยวก็เงินก็เยอะขึ้นมาเองถ้าไม่ฝากเวลาไปเบิกที่ธนาคารก็บอกไม่มีชื่อคุณนี่คุณไม่มีไม่ได้ฝากอย่านั้นจะมาเบิกได้ยังไงนะ นี่คือหน้าที่ของบุญทําบุญแล้วทําให้เราอิ่มใจสุขใจแล้วเราก็มีเงินฝากชาติหน้ากลับมาเกิดก็เบิกได้เบิกแล้วก็มีดอกด้วยเงินที่เราฝากนี่ชาติหน้าเรากลับมาเบิกนี่เบิกได้หลายเท่ามากกว่าหลายเท่าที่เราฝากไว้เพราะกว่าจะกลับมามันไม่รู้กี่ร้อยปีดอกมันม า, มากกว่าต้นอีก เพราะว่าเวลาเราตายไปนี่เรายัางต้องไปไปใช้บุญใช้บาปกันก่อนก่อนจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ไม่รู้กี่ีถ้าไปทาไปบาถ้าทำบาปก็ต้องไปใช้บาปต้องไปอบายกันไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างถ้าทำบุญก็ไปเป็นเทวดานะไปเที่ยวท่องเที่ยวในสวรรค์กัน ว่าจะกลับมาก็เวลาผ่านไปหลายร้อยปีกลับมาเกิดก็เงินที่เราฝากไว้ในธนาคารก็งอกงามขึ้นมาหลายเท่า ว, วิธีที่จะหาความสุขด้วยก็คือหนึ่งด้วยการทําบุญทําทานสองไมการด้วยการไม่ทําบาปไม่ทําผิดกฎหมายถ้าเราไม่ทําบาปไม่ทําผิดกฎหมายเราจะมีความสบายใจ ถ้าเราทำบาปทำผิดกฎหมายเราจะไม่สบายใจแล้วถ้าเราถูกจับก็ต้องไปใช้โทษในคุกในตารางแล้วตายไปก็ต้องไปใช้โทษในอบายมีโทษอยู่สองสองที่โทษในโลกนี้และโทษในในหลังจากที่เราตายไปแล้วโทษในโลกทีพนี่เป็นแผนที่ที่พระเจ้าจทรงเขียนให้พวกเราเดินกัน ให้เรามีความประหยัดมักน้อยสัโดดให้มีความขยันหาเงินหาทองให้มีความขี้เกียจใช้เงินใช้ทองจำไว้นะอย่าไปขยันใช้เงินแล้วขี้เกียจหาเงินลองขยันขยันหาเงินแล้วขี้เกียจใช้เงินแล้วชีวิตจะสบายเงินจะเหลือใช้ถ้าขยันใช้เงินขี้เกียจหาเงินนี่ชีวิตจะวุ่นวายจะเดือดร้อนเพราะเงินมันจะไม่พอใช้ ใช้เก่งแต่หาไม่เก่งเขี้เกียจขี้เกียจหาแต่ไม่ขี้เกียจใช้กันมันต้องมันต้องถ้าขี้เกียจหาก็ต้องขี้เกียจใช้แต่ถ้าขยันหาแล้วขี้เกียจใช้ได้ยิ่งดีนจะได้จะได้มีเงินทองเหลือใช้เหลือกินยัไม่ต้องมาทุกมากังวลกับเรื่องการขาดเงินขาดทองที่ได้มีเงินไปฝากธนาคารบุญ เผืไว้ถ้าหน้ากลับมาจะได้ถ้าพระพุทธเจ้าสอนเป็นสิ่งที่ไม่ไม่เลยเป็นของโกหกเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะ ม, มีเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารบุญแล้วถ้าเราไม่ทํำบาปเราก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายไปท่องเที่ยวในสวรรค์กันแล้วพอแเรากลับมาเกิดใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ ก็ต้องอนั่งสมาธิอย่างเดียวหยุดความอยากเลิกทำตามความอยากเลิกหาความสุขทางร่างกายถ้าเราเลิกได้เราก็ไม่ต้องมีร่างกายเมื่อไม่ต้องมีร่างกายก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะการเกิดถึงแม้ว่าจะเกิดมารวยมันก็ยังต้องแกเ่เจ็บตายอยู่ดี ถึงแม้จะมาเกิดเป็นใหญ่เป็นโตมันก็ยังต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีแต่ถ้าไม่มาเกิดก็จะไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาพัดผ้าจากกันยังเดินตามแผนที่ที่พระเจ้าวางไว้ดีกว่านะขั้นต้นก็หัดมักน้อยสันโดษนะแล้วก็มีความขยันในหน้าที่การงานหาเงินหาทอง แล้วก็เก็บเงินเก็บทองไว้หรือถ้ามีมากเกินจะ เ, เก็บก็เอาไปทำบุญฝากไว้สาหรับชาติหน้าพบหน้าบ้างแล้วก็อย่าไปทำบาปอย่าไปทำผิดกฎหมายชีวิตจะปลอดภัยจากคุกตักอยากตารางจากาความเดือดร้อนต่างๆแล้วก็ถ้าอยากจะมีความสุขที่ดีกว่าจากการที่ไปเที่ยวก็ไปนั่งสมาธิดีกว่า แทนที่จะไปเที่ยวกันก็ไปนั่งสมาธิกันแล้วถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็เลือกใช้เนลิกหาความสุขทางร่างกายไปบวชกันอยู่แบบพระอยู่แบบชีกันก็จะไม่ต้องใช้ร่างกายก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะเราไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ร่างกายหาความสุข เรามีความสุขที่ดีกว่าจากการนั่งสมาธิจากการทำใจให้สงบยังลองทำดูลองมักน้อยสันโดษดูลองทำบุญดูลองรักษาศีลดูลองนั่งสมาธิดูลองตัดความอยากอย่าไปทำตามความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายมานั่งหลับตาดีกว่า เวลาอยากจะลืมอยากจะกินอะไรก็มานั่งหลับตากันพุทโธพุทโธไปใจจะอิ่มกว่าสุขกว่าแล้วก็ไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาร่างกายแก่ก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายเจ็บก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราไม่พึ่งร่างกายเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกาย แก่เราก็ทำใจให้สงบได้เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทำใจให้สงบได้ตายเราก็ทำใจให้สงบได้ใจสงบแล้วใจมีความสุขความทุกข์ทางร่างกายจะไม่มากระทบกระเทือนใจเพราะความสุขทางใจนี้ยิ่งใหญ่กว่าความทุกข์ทางร่างกายพระพุทธเจ้าพระลานนี่ท่านแก่เจ็บตายกันอย่างสบาย ท่านไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเลยเพราะท่านไม่ได้พึ่งร่างกายเหมือนพวกเราพวกเรายังพึ่งร่างกายอยู่พอพึ่งไม่ได้ก็เดือดร้อนกันดงนั้นอย่าไปพึ่งร่างกายมา ah หัดพึ่งความสงบทางใจดีกว่ามานั่งสมาธิกันมาฝืนความอยากกันอย่าไปทำตามความอยากกันแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายถ้าเราไม่มีความอยากถ้าเรามีความสงบ น, นี่คือแผนที่หนังสือธรรมะที่เราอ่านก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้วิธีต่างๆหนังสือตอนนี้ก็มีของหลวงตาอยู่สองเล่มหนังสือของหลวงตานีิหาอ่านยากนั่น น, นี้ท่านจากเราไปแล้วยังมีญาติโยมที่มีความเคารพมีความศรัทธาในหลวงตาพิมพ์หนังสือธรรมะของท่านมาให้แจกหนังสือแว่นดวงใจกับหนังสือสาศาสนาอยู่ที่ไหนเราจะรู้จักวิธีเ อ, อ ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขความเจริญยังไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจความเดือดร้อนต่างๆตามมาการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรง่ายเดีลยวเลย นี่ 5, แต่ ว, วันที่ห้าตุลาคมนะคะประมาณวันสองก็ปิดแบกวันะคะพอทาบุญครบเจวันก็ปิดเอาไว้แล้วก็รายพี่สังการอย่างทบุญห้าสวันวรู้จองจะไปใช่ไหมก็เป็นไปตามเวลาของมันที่้ามก็ไปอย่างสงบลค่ะก อ, อ, อืมอาทิตกันเดี๋ยวเราก็ไปกันเดี๋ยวเราตามมันไป ร่างกายมันเป็นไม่ใช่ของเราต้องเคยเข้าไป <c oughs> เราไม่ได้เป็นร่างกายไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้อง <c oughs> ไปกลัว <c oughs> เรา <c oughs> ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย <c oughs> เราเป็นคนขับร่างกายนี่เหมือนคุณขับรถร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์นะ <c oughs> มันพังมันเสียไปก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่เดี๋ยวกลับมาได้รถคันดีกว่าคันเก่าทำบุญไว้เยอะๆเดี๋ยวกลับมาจะได้รถดีกว่าเก่านะ ทำหน้าที่ออย่างครบชัระอ่าดีแล้วล่ะทบุญที่ใ ท, ท, ท้ท่านไปไปอ่าเมื่อกี้อยากจะถามอะไรถาม ว, ว่าตอนที่ลูกะคะลูกจะได้ยินเสียงอิ้ร้อง แ, แล้วก็ได้กลิ่นแล้วก็เวลานั่งนั่งคุยกับคุณอยู่ปกติอะค่ตอนปกติธรรมดาวเวลาพงธรรมดาะเห็นเงาเป็นสีขาวแล้วเดินผ่านผ่านไปํา ม, มาอย่างนี้นั<ๆ>่นค<ๆ>ืออะไรคก็อย่างที่เราเห็นน่มันคืออะไรก็เห็น เราเห็นอะไรมันก็เห็นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละคือลูกเกิดความกลัวค่ะลูกไม่กล้าน like ั่งสมาธิต่อไปกลัวเงาทําไมมันก anyway. ็เป็นเหมือนเงามันก็ไม่ได้ทําอะไรเราเพีอย่างมันไปกลัวมันทำไมก็มันอยู่ในใจเราอยู่กับเราเราไปกลัวมันเลยคือวันนี้เรเพราะคือนั่งคุยกันนี้แล้วมองเห็นเห็นอย่างนี้ครับก็เห็นนั่แหละก็ก็ก็เป็นเงาที่เราทํามันขึ้นมาเองใจเราสร้างมันขึ้นมา เป็นกระแสจิตนะค ะ, ะ, ะใจเรามันสะสมอะไรไว่มากมายมันดีขึ้นดีมันก็ปล่อยออกมาให้เราดูนูก็เลยไม่นั่งก็เลยใช้วิธีการก็คือทําทําทําทํางานหรือว่าเวลา น, นอนจะบริกรรมพุทโธอยู่ตลอดเวละเวลานั่งก็ต้องบริกรรมพุทโธอย่านั่งเฉยเฉยถ้านั่งเฉยเฉยมันก็จะโผล่มาขึ้นมาของพวกนี้ถ้านั่งบริกรรมพุทโธไปมันจะไม่โผล่ ถ้าจะนั่งสมาธิต้องบริกรรมพุทโธไปนั่งเฉเฉยไม่ได้ถ้าเฉเฉยปั๊บเดียวมันโผล่ขึ้นมาเราก็เลยสงสัยอะค่ะก็เลยไม่กล้าที่จะนั่งต่อแต่ใช้วิธีการนอนหรือก็นั่งไม่นั่งไม่ถูกเลยนั่งไม่ถูกมันก็เจอของพวกนี้ถ้านั่งถูกมันจะไม่เจ อ, อถ้านั่งแล้วบริกรรมพุทโธพุทโธไปมันจะควบคุมจิตไม่ให้ปล่อยตัวปว่ อ, อะไรต่างๆออกมาหลอกเราพอเราหยุดพุทโธปั๊บนั่งเฉยเฉยปั๊บเดียวมันโผล่มาแล้ว พวกที่นั่งเราเห็นนู่นเห็นนี่ก็เพราะพวกนั่งแบบไม่มีพุโทโธกันมันต้องมีพุโทโธแล้วดูลมหายใจเข้าออกแล้วมันจะไม่มีเวลาให้จิตมันปล่อยของพวกนี้ออกมาหลอกเราเข้าใจไหมถ้ามันออกมาก็ทำใช้ปัญญาบอกมันไม่เที่ยงมันเป็นเงามันทำอะไรเราไม่ได้เราอยากจะให้มันหายไปเราก็พุโทโธพุธโทโธไปเนี้ย ม, มันก็หายไป อย่าไปตามรู้ยิ่งไปตามรู้มันยิ่งปล่อยออกมาเยอะใหญ่เราไปปรุงแต่งขึ้นมาเรี้ยกเป็นนู่นเป็นนี่อะไรขึ้นมายิ่งไปกันใหญ<า>่ไม่ต้องกลัวแล้วก็เป็นหนังผีให้เราดูนั่นเองใจเรามานชปล่อยผีให้เราดูหลอกตัวเราเอง<า>ผีจริงไม่มีนี่แต่ผีปลอมผีจริงไม่หลอกผีปลอมหลอกผีจริงก็คือคนตายที่ตายไปแล้วดวงวิญ ญ, ญาณเขาไปเกิดที่นู่นที่นี่แนละ้ว อ น, นี้ผีจริงก็ไม่มีเวลามาหลอกเราหลอกก็ไม่ได้เงินทองมาหลอกเราทาไมอไอ้ผีหลอกนั้นก็ใจของเรานี่ยแหละเปลิดขึ้นมาเองปล่อยออกมาเองตัวพก็ตกใจเหมือนทันติยุกมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยประเดนสติตามไม่ทันนะคะได้เราไม่เราไม่มีสติก็ปล่อยเราต้องเวลานั่งสมาธิต้องควบคุมใจไว้อต้องมีพุทธโธพุทธโธไปอย่าขี้เกียจอย่าหยุดพุทธโธ พุโทโธพุโทโธถ้าหยุดพุดโทโธก็หยุดเลิกนั่งดีกว่าอย่าไปนั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมาหลอกเรามันไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นเงาเงาว่าเกิจิตเนี่ยมันมั น, ม, นมันปรุงแต่งของมันออกมาถ้าเรารู้ทันมันก็เฉยๆไปก็ได้ดู้เลยเฉย ๆ, ๆไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปรักไปชง่งไปกลัวไปหลง แต่ถ้าจิตเรายังไม่เข้มแข็งเราก็ยังทำไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆถ้าจิตโดนแล้วมันจะมีกาลังที่จะหยุดความนักชังกลัวหลงได้มันเห็นอะไรมันก็จะเฉยๆสักแต่ว่ารู้ได้นั่นคือเป้าหมายของการปฏิบัติเราต้องการฝึกจิตให้มันเข้มแข็งให้มันเฉยเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะดีก็ไม่รัก ไม่ดีก็ไม่ชังอะไรหวาดกลัวก็ก็ไม่กลัวอะไรมาหลอกก็ไม่หลงตามแต่ถ้ายังไม่มีสมาธินี่ใจมันจะอ่อนแอ ม, มีอะไรโผล่ขึ้นมาหน่อยมันไปแล้วดีใจบ้างเสียใจบ้างรักบ้างชังบ้างกลัวบ้างหลงบ้างยังก่อนที่จะ ก่อนที่จะทําใจให้มันแข็งแกร่งได้นเราต้องมีสติคอยควบคุมต้องมีพุโทโธเนี่ยถึงบอกให้หัดท่องพุโทโธกันไว้เพราะการท่องพุโทโธนี่เป็นการฝึกเป็นการสร้างสติขึ้นมาพอเวลาใจมันพยศเราก็ใช้พุโทโธนี่เลยตับพยศได้แล้จิตใจมันกลัวใจมันโกรธใจมันเกลียดใจมันอยากใจมันเสียใจเรื่องอะไรต่างๆร้อยแใช้พุโทโธดับมันได้ แต่ถ้าเราไม่เราไม่มีพุทธโธใช้พุทธโธไม่เป็นเวลาเกิดมันก็พุทธโธก็ไม่ออกมากันเหมือนกับพุทธโธนี่เป็นเหมือนน้ําดับไฟเราต้องเตรียมน้ําไว้เวลาเกิดไฟไหม้ก็ได้เอาน้ําไปดับได้ถ้าไม่เตรียมน้ําไว้เวลาไฟไหม้ก็ไม่มีน้ําดับไฟถ้าเราเตรียมพุทธโธ ท, ท่องพุทธโธไว้จนกระทั่งเราท่องได้ทุกเวลา มีเหตุการณ์ทําให้เราไม่สบายใจแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวความไม่สบายใจต่างๆก็จะหายไปแต่เรานั่งสมาธิถ้ามีพุโทโธพุโทโธมันก็จะเบงใจให้เข้าสู่สมาธิให้เข้าสู่ความสงบโดยที่ไม่ต้องไปเห็นอะไรต่างๆไม่ต้องมีอะไรมาปรากฏให้เรารับรู้พอใจเข้าสู่สมาธิเราก็ว่างไม่มีอะไรเหมือนลอยอยู่ในอวกาศ ใจก็เย็นสบายมีความสุขไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงมีกำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้เวลาออกจากสมาธิมาเห็นอะไรอยากจะได้ก็ตัดมันได้หยุดมันได้แล้วต่อไปก็จะตัดกิเลสตัดความอยากได้หมดต้องมีสมาธิเป็นกำลังแล้วก็มีปัญญาเป็นคนคอย สอนว่าอย่าไปทำตามความอยากอย่าไปทำตามกิเลสเพราะการทำตามกิเลสแล้วจะทำให้เราทุกข์กันแ้วถ้าเราไม่มีสมาธิปัญญาบอกอย่าทำมันก็ไม่เชื่อมันไม่มีกำลังสู้กิเลสได้กิเลสอยากจะได้อะไรบอกว่าไม่ดีอย่าไปเอามันก็เอาคนที่ติดยาเสพติดก็รู้ว่าไม่ดีแต่เสพอยากจะเสพจะทานเลยเพออยากแล้วมันหยุดไม่ได้ ถ้าเอาคนติดยานี้มานั่งสมาธิได้เขาจะมีกําลังสมาธินี่จะเป็นกําลังหยุดความอยากได้เหมือนกับคนที่ออกกําลังกายคนที่ออกกําลังกายนี่จะมีกําลังมากกว่าคนที่ไม่ออกกําลังกายคนที่ออกวิ่งทุกวันนี่เขาจะวิ่งได้เป็นกิโลเลยคนที่ไม่เคยวิ่งนี่ให้วิ่งแค่ครึ่งกิโลก็หอบแล้ไม่ไหวแนละ้ว กำลังของใจก็คือความสงบคือสมาธิถ้าเราเล่สมาธิบ่อยๆนั่งมากๆนั่งนานๆให้จิตสงบบ่อยๆมันจะมีกำลังมากเวลากิเลสมันจะให้เราไปทำนู่นทำนี่เราพอปัญญาบอกว่าอย่าไปทำาไม่ดีมันก็จะหยุดได้มันจะฝืนได้กิเลสจะมาชวนไปเที่ยวก็ไม่ไปชวนไปซื้อกระเป๋าใ ห, ใหม่ๆก็ไม่เอาื้อมาทำไมมีต้องหลายใบยแล้ว ถ้าถ้าใจมันมีความสงบแล้วมันจะมีเหตุมีผลมันจะไม่มีอารมณ์เวลาที่ใจไม่สงบนี่อารมณ์มันจะคุกคามมันจะครอบงําจิตใจพออยากได้แล้วโอ้โหจะเป็นจะตายให้ได้ต้องทําตามความอยากให้ได้มันถึงจะหายแต่ถ้าใจไม่มีอารมณ์แล้วความอยากจะครอบงําใจไม่ได้ใจสงบแล้วมันครอบงำใจไม่ได้ ใจใช้ปัญญาใช้เหตุผลถ้าเอาอะไรต้องมีเหตุมีผลจริงๆจะใช้เงินก็ต้องใช้อย่างมีเหตุมีผลเอาไปเที่ยวไม่เอาเอาไปทำบุญเอาเลยเพราะทำบุญมันดีกว่าไปเที่ยวทำบุญแล้วมีเงินเก็บไว้ในธนาคารบุญทำบุญแล้วมีความอิ่มใจสุขใจไปเที่ยวแล้วมีแต่ความหิวมีความอยากเที่ยวอยู่เรื่อยๆอันนี้คือหน้าที่ของปัญญาปัญญาจะชีบอกว่าทา ทำแบบไหนดีทำแบบไหนไม่ดีทำบุญดรีรักษาศีลดีภาวนาดีตัดกิเลสดีแต่ถ้าไม่มีปัญญาเดี๋ยวพออยากได้นู่นก็ไปเลยอยากซื้อก็ซื้อเลยแล้ว ก, ก, ก็ไปติดติดกับพอซื้อแล้วก็อยากจะซื้ออยู่เรื่อยเที่ยวก็อยากจะเที่ยวอยู่เรื่อยเป็นเหมือนยาเหมือนติดยาเสพติดไปเลยแล้วก็เลิกยาก จะเลิกได้ก็ต้องมานั่งสมาธิกั น, นเวลาจะมานั่งมันไม่ยอมนั่งสมันจะไปไปเที่ยวจะไปทำอะไรตามความอยากมันถึงยากยังบอกว่าเวลานั่งสมาธิเหมือนเดินขึ้นเขา เ, ลเวลาไปเที่ยวมันเหมือนเดินลงเขาไปเที่ยวนี้พอเพื่อนโทรมาปั๊บไปเลยตามมาชวนไปนั่งสมาธิโอ้ยมีมีปัญหาร้อยแปดตามมาแล้วไม่ว่างบ้างนะู่นบ้างนี่บ้างแะ เพราะว่ามันยากแล้วมันลำบากมันทุกเวลานั่งสมาธิกันยังไม่มีใครอยากจะนั่งกันพอจะนั่งนี่อึดอัดขึ้นมาทันทีเลยปวดหัวขึ้นมาบางคนร้อยแปดปัญหาแต่ไปเที่ยวนี่ปัญหาหายหมดเลยกำลังป่วยกาลังเจ็บอยู่นี่พอได้ไปเที่ยวหายนี่แหละอำนาจของกิเลสมันเป็นอย่างเงี้ยมันครอบงมจิตใจ มันจะดึงให้เราไปในทางกิเลสถ้าไปทางกิเลสนง่ายไฟเขียวผ่านตลอดเลยถ้าไปทางธรรมนี่โอ้ยมีแต่ไฟแดงทุกสีแยกเลยแต่เราต้องสู้นะเพราะไปทางธรรมนี่มันมันถึงแม้จะยากแต่บ้านปลายมันจะดีมันจะสบายไปทาง มันเป็นอนุสัยเก่าๆมันเป็นความโกรธความพยาบาทนะคะแล้วกําลังพุโทโธสู้ไม่ไหวอ่ะสู้อยู่พกักเป็นเมือ่อานอนดีกว่าอนหนอ น, ออ น, อนแล้วเราต้องหัดท่องพุโทโธ บ, บ่อยๆก่อนที่มา น, นั่งปกติก็บางวันมันส่วให่จะไม่เป็นนะคะมันมีบางวันที่มีอะไรกระทบแล้วมันก็มันก็เบียดอยู่ๆมันก็ขึ้นมาก็ไม่ได้คิดนะคะอแล้วก็พุทโธสู้สู้ก็มันจะพักใหญ่ไม่ไหว ไม่ไหวขอนอนก็นอนเช้าล้วมันก็หายค่ะใช้ได้ไหมคะสู้สู้ชนะมันดีกว่าถ้าชนะความอยากนอนได้มันก็หายเหมือนกันมันสู้ไม่ไหวค่ะมันจะคักมันอยากจะลุกข้ด่าเขาเลยนอนดีกว่าใช้ได้แต่มันใช้แบบแบบแบบทุกข้อนับสิทธ์ไงมันมันแก้ปัญหาแบบให้เขานอกเราพอนอกเราก็ไม่ต้องต่อยเขาแล้วต่ถ้าเรานอกเขาเราได้ชัยชนะได้เงินรางวัล ดีกว่างั้นเราต้องสู้ต่อไปเวลาเกิดความอยากจะทำอย่างองื่นก็พยายามพุโทโธยอมขาดใจไปกับพุโทโธดูถ้ามันมันยอมแพ้มเมื่อไหร่แล้วมันจะหายเลยใจจะโล่งใจจะเบาจะสบายเลยแล้วต่อไปปัญหานี้จะหมดไปความง่วงนอนนี่จะไม่มีอีกต่อไปเวลานั่งสมาธิถ้าเอาชนะความง่วงนอนได้ด้วยสตินะมันจะหายเลยต่อไป มันจะไม่ง่วงเพราะมันจะง่วงเราก็ใช้พุทโธนี่ดัดอัดเข้าไปอัดเข้าไปแล้วพอความอยากความง่วงนอนมันหายไปนี่มันก็ตื่นขึ้นมาเลยหายง่วงเลยมันมันง่วงทางใจมันไม่ได้ง่วงทางร่างกายใจบางทีมันสร้างความอยากนอนขึ้นมาก็เลยง่วงขึ้นมาแต่ถ้าเราฝืนมันใช้พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความอยากนอนมันหยุดหายไปปั๊บความง่วงก็หายไป ถ้าทำนี้ถ้าไปนอนทุกครั้งเดี๋ยวก็เจอปัญหาเดิมเดี๋ยวเจอมันเดี๋ยวก็ง่วงใหม่ก็ยอมยอมแพ้มันไปนอนใหม่มันก็ไม่มีวันที่จะก้าวล่วงปัญหา น, นี้ไปได้วิธีจะก้าวล่วงต้องไม่ทำตามความอยากต้องฝืนความอยากมันอยากจะนอนก็ไม่นอนมันถ้านั่งไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินก็ได้พูดโธพูดโธอยากไปนอนเอาชนะความง่วงนอนให้ได้ แล้วต่อไปมันจะไม่มีปัญหาก็ไม่มีอะไรนะใครอยากจะกลับก็กลับได้ใครจะอยู่ต่อก็อยู่ได้เพราะจะมีคำถามทางบ้านเข้ามาถามต่อนะตามสบายนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะให้ทางบ้านเข้ามาถาม เข้ามาวัน <absorption> นี <sucks> ้เ um, ข <'s S 1> no, like ้ามาชมกันกี่คนนะประมาณ360ค่ะวันนี้300อันนี้ตอนนี้ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะเนี่ยเอาไม่ได้โกหงนะเนี่ยจริงจริงอาจารย์นั่นเดี๋ยวถามนิดนึงตอนตอนที่เราเดินจงกรมนะก็จะเดินเดินโชว์ใช่ไหมฮะแต่จะจับขาขวาก็คือกด ก็ได้เวลาเราเลี้ยวเดินปันนานๆอ่ะเราก็อยากจะรู้ว่าเรามีสติไหมก็จะก้าวพุทธจะรู้ว่าพุทธโทตรงไหนก็ขอขาฝาก็อได้ได้ใช่ไหมได้พุทพูดไปกับทางก็ได้พุทโทไปกับทางก็พุทโทไปเรื่อยๆอย่าเงี้ยแล้วพอเราอยากจะดูว่าสติเรายังอยู่ไหมแล้วก็ดูซิว่าพุทเราจะอยู่ตรงไหนอก็อยู่ขาฝาท้าขฝาก็โอเคก็ คือคิดในใจนะฮะว่าโอเคก็ก็ได้ขอให้อยากคิดก็แล้วกันให้อยู่กับพุทโธไปแล้วอยู่กับเท้าไปคำถามทางบ้านค่ำถามจากข้อความทางแฟนเพจพระอาจารย์สุชาติอพิชารโตนะคะ ผมได้มีโอกาสได้เล่าหรือสอนทีมงานว่าคนเราถ้าคิดดีเราก็จะคิดได้ถ้าเราคิดไม่ได้จนวันตายก็คิดแต่ไม่ดีมีสมาชิกท่านหนึ่งเขาถามว่าทําไมเขาคิดดีแต่เขาก็ยังคิดไม่ได้ผมก็บอกเขาว่าเขาแค่กําลังคิดดีแต่แท้ที่จริงเขากําลังคิดไม่ดีอยู่หรือเปล่าเพราะผมมีความเชื่อจากการที่ผมปฏิบัติว่าคนเรา ถ้าเราคิดดีเราจะคิดได้เสมอแต่ถ้าคนที่เขาคิดไม่ได้ยังไงซะเขาก็มีแต่คิดแต่เรื่องที่ไม่ดีเสมอเลยอยากจะขอฟังความคิดเห็นของพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับคือการที่เราจะคิดดีได้เราต้องมีธรรมะสนับสนุนธรรมที่จะสนับสนุนให้เราคิดดีก็คือความเมตตาความกรุณามุนิตาอุเบกขา ถ้าเรามาีความเมตตาเราก็จะคิดดีกับคนอื่นเราจะไม่คิดร้ายเช่นเวลาเรารักใครนีเราจะไม่คิดร้ายกับเขาเราอยากจะให้เขามีความสุขอยากจะช่วยเขาอยากจะดูแลเขาเราก็จะคิดแต่เรื่องดีๆสำหรับเขาแต่ถ้าเรากโกรธใครเกลียดใครนี่นนเราก็จะคิดร้ายกับเขาเห็น <itas. S 1> ถ้าเรามีความเมตตาเราก็จะไม่โกรธไม่เกลียดเพราะความเมตตก็คือให้อภัย ใครทำร้ายเราใครพูดไม่ดีกับเราเราก็ให้อภัยเขาไม่ถือโทษกดเครื่องเรือแค่คิดว่าเขาเขาพูดไม่ดีก็ยังดีกว่าเขายังไม่ได้ตีเราแต่ก็ตีเราก็ใคคิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเรา เ, เราก็จะไม่คิดร้ายกับเขางนั้นเราต้องมีความเมตตาต้องไม่คิดทำร้ายใครไม่ว่าเขาจะทำล้ายเรา เขาจะลายกับเราอย่างไรเราจะไม่ตอบโต้เราจะยอมแพ้เป็นพระชนะเป็นมารถ้าจะไม่ตอบโต้ใครพระยอมแพ้ใครจะด่าพระพระก็ไม่ตอบโต้เฉยเฉยไปแล้วการที่เรามีความเมตตาก็จะทําให้ใจเราเย็นมีความสุขมเมื่อเรามีความสุขเราก็จะไม่คิดล้ายคนส่วนใหญ่ที่คิดล้ายกับคนอื่นก็เพราะใจมันทุกข์ เวลาไม่ได้อะไรดังใจอยากก็โกรธก็จะทุกข์แล้วก็จะคิดร้ายกับคนที่ทำให้เราโกรธเช่นไปของเงินเขาเขาไม่ให้เราก็โกรธกลับมาปนมันเลยจี้มันเลยอันนี้งั้นถ้าอยากจะคิดดีหัดเจริญเมตตาภาวนาพายายามมองว่าพวกเราเป็นเหมือนพี่น้องกันเป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นญาติกัน เกิดแก่เจ็บตายเปนญาติในการเกิดแก่เจ็บตายไม่ควรที่จะมาเบียดเบียนกันต่างคนต่างอยู่กันต่างกันให้ความเมตตาต่อกันดีกว่าคนที่มีความเมตตาก็จะอยู่เย็นเป็นสุขจะมีจะมีเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะอยู่อย่างมีความสุขตื่นก็สุขหลับก็สุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้าย แล้วก็ไม่ตายด้วยอาวุธหรือ ย, ยาพิษต่างๆเพราะจะไม่มีใครเกลียดเราไม่มีใครคิดร้ายกับเราเราตายไปก็ไปสู่สุคติไม่ไปอบายเป็นพยามาหัดเจริญเมตตากันที่บทที่เราสวดเวลาสวด น, นี้เรายังไม่แผ่เมตตานะตอนที่เรานั่งสมาธิเสร็จแล้วเราสวดบทสัปเพสัตตาอเวราหนตุตอนนั้นยังไม่ได้เป็นการแผ่เป็นการ เป็นการศึกษาเป็นการสอนใจว่าอเวลาแปลว่าไม่มีเวรกันอาเบญาปัชชาแปลว่าไม่เบียดเบียนกันอนิคาแปลว่าให้เขามีให้เขาพ้นจากความทุกข์กันสุขีอัตนะปาริหารัน ต, ตุแปลว่าให้เขามีความสุขกันไม่ให้เขามีความทุกขจากการกระทําของเราทําอะไรก็อย่าทําให้เขาทุกข์ทำอะไรก็ให้เขามีแต่ความสุข อันนี้เป็นการสอนเป็นเตือนการเตือนใจเวลาจะแผลจริงๆต้องเวลาเจอมาเจอกันเวลาเจอกันก็ยิ้มให้กันไม่ใช่หน้าเบึ้งใส่กันหรือด่ากันเลยบางทีเจอกันก็เหมือนกับปล่อยม้าสองตัวให้กัดกันเลยพ <c oughs> าเจอกันก็เอาเลยมึงอย่างงูกูอย่างนี้ขึ้นมาแนะ้เวลาเจอกันต้องยิ้มให้กันถามสารทุกสิบเด็บ สบายดีหรือเปล่าจ้าเนอเนือ้อถ้ามีขนมม า, มาฝากอ่ะมีของมาฝากกันอไปเที่ยวที่ที่อุดรมาซื้อของมาฝากกันอะไรเงี้ยที่แล้วก็แผ่เมตตาแต่เวลานั่งสวดไม่ได้แผ่ไม่มีใครรับนี่จะไปแผ่ให้ใครน ะ, อ, ะอันนั้นเป็นเวลาเตือนใจสอนใจว่าเราต้องแผ่ซ้อมก่อนนึกถึงเวลาแผ่จะแผ่ยังไง เวลาเจอคนที่เราไม่ชอบยิ้มได้หรือเปล่ า, อาลองยิ้มให้เขาดูหน่อยสิหรื อ, อมีขนมมันก็ฝากเอามาให้เขาบ้างอะไรแล้วเตรียมตัวเตรียมใจถ้ายิ้มให้เขาแล้วเขาเบื่อล้วก็เฉยเฉยอย่าไปโกรธเข า, เาถ้าให้ขนมเขาแล้วเขาโยนทิ้งก็อย่าไปถือสาเข า, เ า, เาต้องทำใจต้องเตรียมตัวเตรียมใจซ้อมให้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแผ่ไม่ออก พอยิ้มไม่หน่อยมันหน้าเบื่อมันดากรมันจะแผ่ไม่ออกให้ขนมมันมันมก็โยนทิ้งไปนาาก็จะนั้นมีเค ส, เคสนี่แหะตอนตอนนั้นไปที่ชุวงุกประสาใช่ไหมก็ไปอยู่ที่วัดแล้วทีนี้เห็นพระอาจารย์สุดใจสุขภาพไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราเราต้องใช้ไฟด้วยน่ะก็ต้องตุมต้องอะไรใช่ไหมฮะก็ขอก็แล้วอะไรเงี้ยเขาก็โอเค เขาบว่าหกโมงเช้าได้ไหมเราบอกวไม่เป็นไรใส่หน่อยก็ได้แล้วเราก็ออกไปใส่บาตรพอใส่บาตรแล้วก็แล้วก็มามาพระมาหาพระจารย์นะพอวันที่จะเดินทางมาเนี่ยเขาก็ให้อีกคนหนึงมาบอกว่าไม่ได้แล้วเราก็งงอะ่ะอันนี้เน่ยไม่ได้ทำให้เรานะเราจะถวายพระจารย์สุดใจแต่ต่อว่าคํานึงอยู่ว่าทําไมใจแคบจังก็ก็จบใช่ไหมคะอดูก็มาที่นี่นหมคะ เมื่อวันที่ยี่สิบอะไรเงี้ยขากลับไปอีกอาทิตย์หนึ่งวันที่สิบหกจังหวะเขาเขาหยอดตาผิดนะแล้วกุดมันก็อยู่ข้างๆแต่เขาให้คนมาเรียกเราตีหนึ่งบอกจ้อยขับรถไปส่งโรงพยาบาลเราก็ไปค่ะ<อ>แต่เราพอพอเสร็จแล้วเราก็จบก็คือตา่ตางคนต่างอยู่<อ>ก็<อ>ก็ไม่อยากไปยุ่งกับเขาเ ได้ก็อุเบกขาไปแล้วก็อุเบกขาถ้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกันก็ต่างคนต่างอยู่ไปแต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกันก็ใช้เมตตาไปไปถ้าแยกกันอยู่ได้ก็ดีกว่าเพราะอยู่ใกล้กันเดี๋ยวมันก็เป็นเหมือนลิ้นกับฟันเดี๋ยวมันก็อาจจะกัดกันได้คบกันได้ ถ้าแผ่ไม่ตาไม่ได้ก็ต้องอุเบกขาเช่นให้ขนมเขาลก็โยนทิ้งแล้วก็เฉยเฉยไป <c oughs> อย่าไปโกรธเขาอย่าไปเสียใจ <c oughs> แต่ถ้าเขาเดือดร้อนโทรมาเรียกขอให้ช่วยพาไปโรงพยาบาลหน่อย <c oughs> ก็เอาความกรุณาอส ง, งสารช่วยมันไปแต่เชาวันนั้นซื้อขนมไปฝากเขาอจะให้เขานะพอเขาพูดอย่างนี้เราก็ตอบว่าเขาว่าทําไมใจแคบเราพูดแค่นี้ทาไมใจแคบจัง ก็ไม่ให้เขากินเลยค่ะ เ, เอาเอาให้คนอื่นเลยค่ะแะส ด, แดงว่าเราเราแผงเมตาไม่ออกค<า>ือบอกคือตั้งใจว่าเออเพราเขาบอกว่าคือเราอยู่บ้านใช่ไหมขออขเขาอยู่วัดคือเราเขาว่าเขาอยากินอ่างนเออทังที่ดี <นา S 2> อเอาให้ถ้าเราถ้าเราเมตตาจริงเราก็ให้เขาไปแสดงว่าเราไม่เมตตาเขาเือแบบ ไม่ตามไม่ออกแถมไม่ออกคําเดียวหรือว่าทําไมใจแคบจังไงอันนั้นก็ไม่เมตตาแล้วแหละแปลว่าเขาแล้อว่าแสดงว่ายังสอบตกอยู่ยังสอบแต่ก็แต่ก็เมตตาเขาตรงที่ตีหนึ่งใช่ไหมอ่าก็ไปโรงพยาบาลขับรถออกมาแล้วเราก็ไปนั่งที่โรงพยาบาลจนถึงกลาวหน้าลองใหม่ตีสามต้องทําให้ผ่านให้ได้ใช่ไหมโอเคอ มีคำถามไหมคำถามจากคุณหนูทิฏฐิมานะคนเราทําไมมันแก้ยากจังครับยิ่งแก่ยิ่งมากมันเป็นสันดาลไงมันมันฝังแล้วแต่ต้องไปบวชกันเวลาไปบวชมันกเขาจะสอนให้รับทิฏฐิมานะเวลาไปบวชนี่ไปเหมือนกับไปอยู่ท้ายแถวไปเป็นเป็นต้องไปรับใช้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปอะไรต่างๆ จะเป็นรถมานะทิฏฐิทิฏฐิมานะการถือเนื้อถือตัวอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าให้หัดทําตัวเป็นเหมือนปัตภีเป็นเหมือนแผ่นดินใครจะเหยียบก็ได้ใครจะเหยียบ ใ, ใครจะถุยน้ําลายใส่ใครจะปัดสะวะอุจละลาดใส่แผ่นดินแผ่นดินนั้นรับได้หมดมันไม่สะทกสะทานหัดทําใจแบบนั้นหัดทําใจเราเป็นเหมือนแผ่นดินให้เขาเหยียบเขายา่ำ ใครจะดูถูกดูแคลงใครจะอะไรก็ปล่อยก็ทําไปทําใจให้หนักนันเหมือนแผ่นดินให้เฉยให้ไม่อุบเบกขาถ้าทําได้แล้วตัวกิเลสตอนนี้มันหายไปห้ดสังเกต ด, ดูภาพปฏิบัตินี่ทุกรูปเนี่พอบวชปั๊บนี้ต้องรู้จักกราบไหว้กันนะ่ไห ม, มกราบไหว้กราบทําภารกิจการงานต่างๆล้างล้า ง, งกระโทนล้างส้วมล้างอะไรักทยอะักจีวงจีวอให้ครูบาอาจารย์ ปฏิบัติครูบาจา้าต่างๆนี่เป็นการฝึกลดมานะทิฏฐิการถือเนื้อถือตัวแล้วมันก็จะทำให้อยู่อย่างสบายเวลาถือเนื้อถื อ, ถอตัวนี่ต้องอย่างงั้นต้ออย่างนี้พอไม่ได้นางใจอยากก็จะเครียดจะโกรธขึ้นมาแต่ถ้าทำเป็นแผ่นนี้ยังไงก็ได้เราถือว่าเราเป็นคนใช้แล้วเขาจะให้เราใช้เขาจะใช้เราอย่างไรจะพูดยังไงใครเขาดา่าไงเราก็ เจ้าคายคำเดียวครับผมเดียวอออออแล้วอยู่ได้อมาอยู่กับหลวงตาก็ท tu ําแบบแผ่นดินเนี่ยหลวงตาชอบทดลองมาน่าทิฏิเนี่ยบาที่ก like ็ด่าโดยไม่มีเหตุมีผลขึ้นมาเนี่ยอออก็คับอย่างเดียวฟังอย่างเดียวเฉยอย่างเดียวพระอาจารย์ขอถามนิดหนึ่งตอนช่วงพระอาจารย์ไปบวชบวชช่วงนั้นที่อยู่กับวัดอยู่กับหลวงตาแปดปีน่ะพระอาจารย์นึกอยากจะสึกเลยไหมครับ ไม่เคยถ้าเสกก็เสกไปนานแล้วนี่ใช่ไหมคะก็คือใจมุ่งมั่นว่าจะบวดอ่มันไม่เคยคิดเลยนั่นแต่บวดมานี่ยังไม่เคยคิดจะเสกเลยมันไม่มีเวลาคิดอ่ะมันพูดโทตลอดเวลาอสาธุสาธุมันมีสติควบคุมใจอยู่ตลอดเวลาใจมันสงบอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยคิดมันมีความสุขมันจะไปสึกท้ายเลยสุดปลายแล้วทุกอ่ะสุดปลต้องทามาหากิน นี่บวแล้วไม่ต้องทาหากินข้าวก็ฟีบ้านก็ฟีจะไปจะไปเสือขาเลยรอแล้วแลแล้วอย่างนิพพานนี่อยู่แค่อึมแค่อึมแล้วคือฟังเทนิพพานก็อยู่ในใจนี่แหละหยุดกิเลสได้หยุดความโล่โกรธหลงได้ก็ถึงนิพพานแล้วไม่ยากตรงไหนเลยฆ่าสามตัวนี้ได้การความรู้ความโกรธความหลงได้ก็ถึงนิพพาน่ะ มันอยู่ในใจเราเนี่ยมันอยู่มันรอที่จะโผล่ให้เราอยู่ตลอดเวลาเราไม่ยอมให้มันโผล่เราชอบกิเลสมันมาปิดมันไว้เนี่ยกิเลสมันตัวปิดนิพพานไว้รู้ป่ะความโลภความโกรธความหโงเนี่ยมันทําให้เราไม่ไม่ได้นิพพานกันอพอเราทําลายความโลภโกรธโงได้ น, นิพพานก็โผล่ขึ้นมาแนละ้วอยู่ในใจใช้เวลานานเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้ไปไปไ ป, ไปจุด ไปจำสู้กันไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆพระอาจารย์นั่นลูกออันนี้อันนี้ความฟังที่จะลงตาเนาะลงตาบอกวันที่สิบห้าพฤษภาสองสี่เก้าสามได้ไหมฟ้าดินถล่มานาอแล้วคือคือหนูก็มาฝากเป็นเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์อ ก็อยากทราบว่าฟ้าดินถล่มเมื่อไหร่เมื่อไหรอไว้แบบว่าเราล่อยูไหนกงะยังไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลาใช่ไหมแฉกแฉกแกยังไม่ถึงเวลาบอกแต่แต่คำนี้หละตอนตอนนั้นพ่อบ้านทำทาที่นั่งให้หลบตาที่ที่เหมือนไฮโดรลิกยกขึ้นนะครับ คือท่านปวดเส้นอะไรใช่ไหมเราก็เห็ น, แ, นแต่ละคนเด็กตัว ด, ดอุ้มทีท่านก็เจ็บเลยนะ น, น่ะอระพระปโขนงก็เลยบอกแล้วบอกว่าเวลากราบเีื่อะไรหลวงตาก็กราบได้ทําไมไม่ขอตรงนี้ก็เลยตัดสินใจขอบอกบอกหลวงตาเจ้าค่าขอตรงนี้หลวงตาผู้แค้นนี่หลวงตาก็บอกรู้ว่าลูกศิษย์ทวงใหญ่แต่ยังไม่ถึงเวลาอืแต่พอช่วงปีสองสี่ห้สองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะช่วงเมษา รีหนูไปเชียงมไปสิงคโปร์นะไปไปบ้านยุ่นแล้วลงตามาล้มไงก็เลยตัดสินใจไม่รู้ว่ะใครผู้กำกับจะชนเราเลยก็ช่างเราไม่สนแล้วเราขอรักษาสัศนานาการเพราะเพราะเวลาล้มเอ็นอะไรมันจะปวดเลยตัดสินใจนั่นแหละลงตาบอกนั่นแหละยังไม่ถึงเวลาพอวันนั้นก็ถึงเวลาเวลงตาก็เลยก็ดูแลดูแลหม้อแบตเตอรี่ตลอดเวลา สองปีนะฮะชาร์จตลอดเพราะท่านพอเรไปวัดปุ๊บจะชาร์จแบตเตอรี่พ่อบ้านเนะ่ยจะชาร์จชาร์จเอาไว้เลยพอลงตาเทพเลยเสร็จลงตาตับกุดเราก็ปิดสวิตต์เราก็จะทําอย่างนี้ทุกวันเพราะว่าที่วัดแม่ตัดใช้ไฟบ้านเอ้ยไฟปั่นนะฮะก็จะใช้อยู่อย่างนี้นะทดลองตลอดเวลาอย่างนี้คนระับ ก, ก็ได้ใช้ช่วงหลังท่า น, น ะ, ะเนี่ยก็ว่ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะคอย ไม่เราไปปฏิบัติให้ได้ก่อนแล้วเราจะบอกค่ะใช่ดีกับสใจให้ฟ้าดินถล่มทลายของเราไปก่อนแล้วมาบอกเราเปิดหนูเปิดหนูคนอถ้าหนูถ้าหนูถล่มทลายเมื่อไหร่เราจะลองบอกไม่รู้มันจะยากไหม่ะอยากไม่ยากก็ลองทําดูเลยบอกไปตอนนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอบอกมันไม่เกิดประโยชน์ ยังไงก็ขออาจารยแผ่เมตตาให้มีความเพียรนะให้พยายามเพียรพยายามปฏิบัติไปบ้างอย่าไปสนใจเรื่องคนอื่นเลคนอื่นก็มีมีคำถามอีกไหมคำถามต่อไปนะคะคนเราเมื่อเจอกับความทุกข์บรมทุกข์เราจะทำใจได้อย่างไรลูกก็เข้าใจว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์เกิดและทุกข์ มีแต่ทุกเกิดและทุกดับแต่เมื่อเจอกับตัวแล้วมันไม่สามารถทําใจได้สิ่งที่รู้สึกก็มีแต่ความเสียใจทําใจไม่ได้ขอพระอาจารย์เนตตาชี้ทางค่ะก็ต้องมาหัดทาใจเลยเมื่อตอนนี้ทำใจไม่ได้เราก็ลองมาหัดทําใจเพื่อคราวหน้าเวลาทุกเราจะได้ไม่ทุกได้คราวนี้มันสายไปแล้วเพราะเราเราไม่ได้หัดทาใจไว้ก่อน วิธีหัดทำใจก็คือมาจะมาหัดสร้างพุทโธกันมาสร้างพุทโธกันมาพุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปเวลามีเหตุการณ์ที่ทําให้เราทุกข์ใจเราพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเดียวมันก็หายทุกข์ตอนนี้เราไม่มีพุทโธกันตอนนี้ก็ยังไม่สายถ้าอยากจะแก้ความทุกข์ใจอันนี้ถ้าพุทโธได้เดี๋ยววันสองวันก็หายทุกข์แล้วดีไม่ดีไม่ต้องวันสองวันละห้า น, า, น, นาทีสิบนาทีมันก็หายได้ ถ้าพุทธมันต่อเนื่องมันพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไม่ไปคิดถึงอะไรนี้เดี๋ยวความทุกข์ต่างๆมันหายไปเองเพราะความทุกข์มันเกิดจากความคิดของเราสร้างขึ้นมาคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เลยทุกข์กับมันพอเราหยุดคิดถึงมันมันก็หายทุกข์ถ้าอยากจะหายทุกข์เร็วๆก็หัดท่องพุโทโธตั้งแต่เนี่ยนี้แล้วเนี่ยพอฟังเสร็จก็ทุทพุโทโธไปเลยลองพุโทโธสักสิบนาทีดูอย่าไปคิดอะไรแนละ้วมันจะเบาขึ้นเลย รับรองได้คำถามต่อไปค่ะเพราะเราทำงานผิดพลาดเลยทำให้แม่ต้องประสบอุบัติเหตุรู้สึกเสียใจมากทุกข์มากรู้สึกแบกความผิดนี้ไว้ตลอดทุกลมหายใจเข้าออกอลูกจะแก้ใจอย่างไรรักษาใจอย่างไรคะก็เหมือนกันหละมันผ่านไปแล้วเหตุการณ์ผ่านไปแล้วจะไปแก้มันก็ไม่ได้แล้วทุกข์ใจตอนนี้ก็ให้พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเหตุการณ์ที่มันผ่านไปแล้ว เดี๋ยวมันก็หายทุกแล้วก็เอาเหตุการณ์นี้มาสอนใจเตือนใจว่าต่อไปเราทำอะไรต้องระมัดระวังต้องรอบคอบแล้วมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องมาเสียใจอีกคำถามจาก Facebook Live นะคะจากคุณหนิงถ้าหากเข้าสมาธิแล้วกายเบาใจเบามีความสุขมีสติที่พุทโทตลอดเวลาแบบนี้เรียกเข้าฌานหรือไม่ เพราะเคยได้ปิติแล้วมีสำนักหนึ่งบอกว่าไม่ให้เข้าฌานนา น, านเพราะทําให้สูญเสียพลังจิตไปมากแบบนี้หนูควรมีสติที่พุโทโธพุโทโธไปตลอดใช่ไหมคะเพราะหนูไม่อยากเสียพลังจิตหรือว่าฌานก็จําเป็นเหมือนกันหลังๆ ห, หนูนั่งสมาธิมีแต่ความสุขใจเบาใจความเครียดลดลงหนูชอบค่ะการเข้าฌานเป็นการสร้างพลังจิตไม่ใช่เป็นการเสียพลังจิตนะคนพูดไปพูดแบบไม่รู้เรื่องย ยิ่งอยู่ในฌานได้นานเท่าไหร่ยิ่งมีพลังจิตมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นพยายามพุโทโธถ้ายังพุโทโธได้ก็พุโทโธไปมันจะหยุดพุดโทโธเองถ้ามันตกลุมตกบ่อมันวุบลงไปแล้วมันจะนิ่งแล้วมันสงบแล้ว ม, มีความมหัศจรรย์ใจเกิดขึ้นมันจะไม่ต้องพุโทโธแล้วตอนนั้นมันจะมีความสุขมากแ ต, ตอนนั้นก็หยุดพุดโทโธใช้สติที่เราได้จากพุโทโธนี่คอยประคับปรครอง อย่าให้มันไปคิดปรุงแต่งอะไรให้มันอยู่กับความสงบนั้นไปนานๆยิ่งสงบได้นานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีเพราะมันเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จพลังงานให้กับใจใจได้พักผ่อนใจเรานี่ใช้พลังงานตลอดเวลาคิดเรื่อยเปื่อยเนี่ยเหมือนกับเราใช้มือถือเนี่ยเวลาเราโทรนี่เราก็ใช้แบตไปเรื่อยใช่ไหมแต่ถ้าเราปิดเครื่องนี่แบตมันก็ไม่ศูนย์แล้วถ้าเราไปชาร์จแบตเราก็จะได้พลังงานกลับคืนมา เวลานั่งสมาธิเข้าชานี้เป็นการชาร์จพลังงานให้กับใจของเราเวลาคิดนี่มันจะมันจะดูดพลังงานออกไปเราจึงต้องหยุดคิดอพอหยุดคิดแล้วมันก็จะชาร์จพลังงานกลับขึ้นมาใหม่อย่านให้มันสงบได้นานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีอย่าให้มันออกมาถึงแม้จะมีธุระจะไปไหนก็ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจเอาพลังงานนี่ดีกว่ามีความสําคัญกว่าหยุดนั่งต่อไปจนกว่ามัน กิเลสมันมีกําลังมากกว่ามันดันออกมาเราสู้มันไม่ไหวก็ก็ค่อยออกมาออกมาก็มาสร้างสติต่อพุทโธพุทโธต่ออย่าปล่อย <c oughs> แล้วเดี๋ยวก็กลับไปนั่งใหม่ทํานี้บ่อยๆใจจะมีพลังมากแล้วเราสามารถเอาใจที่มีพลังนี้ไปใช้กับปัญญาเพื่อฆ่ากิเลสได้อีกทีหนึง่งคําถามจากคุณชัยนรงค์ ปฏิบัติอย่างไรถึงจะรู้สึกได้จริงๆว่าการนี้ไม่ใช่ของเราเ อ, อ๋อก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆน่ปฏิบัติไปเรื่อยๆเวลาใจสงบมันจะแยกออกจากร่างกายแล้วเราก็จะเห็นว่าเราไม่ต้องมีร่างกายเราก็อยู่ได้เวลาใจสงบนี้ใจไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็จะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่จำเป็นสาหรับเรา แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาใจสงบนี้ใจจะปล่อยวางร่างกายไว้ชั่วเขาจะเหลือแต่ใจเหลือแต่ตัวรู้สักแต่ว่ารู้ร่างกายหายไปจากความรู้สึกและคิดคําถามจกคูณดกทศพรมีเงินหนึ่งแสนบาทระหว่างทาบุญครั้งเดียวหนึ่งแสนบาทกับทาบุญครั้งละหนึ่งหมื่นบาทสิครั้ง กับทำบุญครั้งละหนึ่งพันบาทหนึ่งร้อยครั้งจะได้บุญแตกต่างกันใหม่ครับไม่ตาม่างละแต่ต่างตรงที่ว่าถ้าเกิดทำครั้งละพันเกิดตายไปก่อนก็จะ ไ, ไม่ทำอย่างนั้นถ้ามีทําถ้าอยากจะทําแสนที่ก็ทําไปเลย <c oughs> ไม่ต้องมาผ่อนส่งครับแต่เวลามันตายไปก่อ น, ม, น ม, มันไม่ได้ทําไม่ได้ทํำถ้าถ้ารู้ว่าจะทําทแสนนึงก็มีแสนนี้ก็ทําไปเลยจะไม่ได้จบไปเลย คำถามจะคุณทาสกอรปกติผมจะโอนตังให้แม่ทุกเดือนผมโทรบอกแม่ว่าเวลาไปทอดกระถิ่นผมจะออกเงินให้ก่อนแล้วค่อยเก็บเงินกับแม่ทีหลัง <c oughs> ท่านก็อนุโมทนารับทราบอยากทราบว่าท่านจะได้บุญหรือเงินท่านให้เราแต่แรกไหมครับถ้าเป็นเงินของท่านถ้าท่าน<ม>ถ้าท่านใ ช, ใช้เงินที่เราออกไปก่อนก็ท่านก็จะได้บุญแต่ถ้าท่านไม่ได้ใช้ท่านก็จะไม่ได้บุญจากการ ทำทานนี้ท่านจะได้บุญจากการอนุโมทนาของเราที่เราไปทแทนเน้นถ้าอยากจะให้ท่านได้บุญต้องเป็นเงินของท่านเองเรื่องการทำบุญนีต้องเป็นของใครของมันแล้วต้องออกจากความดำ็ิของเจ้าของด้วยไปบังคับทำก็ไม่ดีไปไปทำให้เขาก่อนแล้วบอกอ่ะจ่ายมานะอนอย่างนี้บางทีเขาไม่มีความอยากจะทาทำแล้วเขาจะไม่ได้บุญเพราะเขาจะรู้สึกเสียใจเสียดาย เราให้เขาอยากทําบุญแล้วฝากเราสั่งเราไว้ว่าช่วยทําให้หน่อยแล้วกลับมาจะจะจะจ่ายเงินทําบุญให้ช่วยออกไปก่อนถ้า <Okay. S 1> อย่างนี้เขาก็จะได้บุญแต่อย่าไปบอกว่าผมทําให้แม่แล้วนะแม่ต้องจ่ายเงินมาให้ผม อ, <c oughs> อย่างนี้มันจะไม่ได้ <c oughs> มันต้องออกมาจากความตั้งใจของผู้ทําเองแล้วต้องเป็นเงินของผู้กระทําเองถึงจะได้บุญพี่อาจารย์คะขอสอบถามหนึงค่ะพอดีตัวของลูกเองนะคะ มีควารู้สึกว่าอยากจะเกิดกรรมเป็นมนุษย์ไม่อยากเป็นเทวดาเพราะว่าเทวดาเนี่ยไม่มีกายอยากที่ให้เราได้ทําได้สะสมอย่างนี้คะ่ะเข้าใจผิดหรือเปล่าหรือว่ายัางไคงคะรบกวนอธิบายไดยคะ่ะก็ไม่ผิดหรอกคืแนะว่ามันอมันเบางทีเราไปกําหนดไม่ได้เพราะว่าเราทําได้เพียงแต่ว่าเราทําเหตุคือเราทําบุญ แล้วเราก็ไม่ทำบาปถ้าเราทำสองอย่างนี้มันก็จะทำให้เราไปเกิดเป็นเทวดาก่อนก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราไม่อยากจะไปเป็นเทวดาเราก็ต้องไม่ทำบุญแต่เราไม่ต้องต้องไม่ทำบาสด้วยเพราะเราไม่ทำบาปเราก็จะไม่ไปอบายถ้าเราไม่ทำบุญเราก็จะไม่ได้ไปสวรรค์ทำบุญในที่นี้หมายถึงอะไรคนี่อย่างที่กระถินทอดผ้าป่า เสียบ่อยจากเงินทองเสียสละเงินทองของเราเนี้ยเรียกว่าบุญที่จะทําให้เราแต่ที่นี้ถ้าเราไม่ทำไว้เดวชาติหน้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะไม่มีเงินรอเราอยู่ <c oughs> ก็จะกลับมาเท่าเดิม <c oughs> ก็จะยากจะไม่มีเงินให้เราเบิกงั้นทําไปเถอะไม่ไม่เสียหายตรงไหนเวลาไปไปสวรรค์ก็เหมือนกับไปเที่ยวมันดีจะตายเลยไม่นองจริงทรู้สึกว่า ถ้เป็นเทวดาแล้วก็ลาบากเหมือนกันไม่มีกายยาวไหมคะนี่นีถ้าเป็นเทวดาก็แต่ไม่มีกายยาวก็ยังมีกายทิพย์อยู่ไงก็ยังมีความสุขต่างดูมีรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์อยู่เหมือนตอนที่เรานอนหลับเนี่ยเวลานอนหลับเราไม่เราไม่ได้ใช้ร่างกายใช่ไหมแต่เราฝันว่าเราไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่โอ้มีสนุกสนานเฮฮคอ่านั่นเราเนี่นะเป็นเทวดารู้เปล่าอตอนที่เรานอนฝันดีเนี่ยเป็ น, นเรากําลังอยู่ในสวรรค์ ถ้าเราฝันร้ายก็เหมือนเราไปนรกกันอ่ะแล้วเองไม่ค่อยชอบที่จะทําบุญนะคะแต่ชอบนั่งนั่งสมาธิการทําแบบนั้นมากกว่าอย่างนี้จะได้บุญมนกันไก็ได้บุญจากการนั่งสมาธิไงใจสงบก็จะไปถ้าสงบก็ไปเป็นพรหมเลยสวรรค์ชั้นพรหมสูงกว่าสวรรค์ชั้นเทกจะพยายามทำตอนเนื่องไปเรื่อยๆทําตามสูตรที่พระเจ้าสอนให้ทำเด้ะ ทำบุญละ บ, บาปทำละใจให้สะอาดก็คือทาทานรักษาศีลภาวนาไปทำสามอย่างนี้ตามกำลังของเรามีเงินน้อยก็ทำน้อยมีเงินมากก็ทำมากคาถามจากคุณจตุพรบุญกับบา ร, รมีต่างกันอย่างไรคะก็อันเดียวกันแหละเพียงแต่เราเรียกต่างกันท่านเองบุญบา ร, รมีก็คือบุญที่เราทำมาในอดีต มันก็เลยเป็นบารมีขึ้นมาเช่นเราทําทานวันนี้รักษาศีลวันนี้มันก็ตอนนี้เราเรียกว่าบุญพอชาติหน้าเราไปเกิดไอ้ไอ้บุญที่เราทำนี่ก็เรียกว่าเป็นบารมีบารมีก็คือทําให้เราทําสิ่งที่ดีต่อไปที่เรามาทําบุญกันในวันนี้มารักษาศีลมาฟังเทศกันก็เพราะชาติก่อนเราเคยทําอย่างนี้มาก่อนมันก็เลยเป็นบารมีสนับสนุนให้เรามาทําต่อเราก็เรียกว่าบารมี บ า, ามีก็คือคุณสมบัติที่ดีของจิตใจส่วนวิบากเราก็เรียกคุณสมบัติที่ไม่ดีของจิตใจพวกที่มีวิบากก็พวกที่ชอบทำบาปชอ บ, สบเสพอาบายามุขอย่างนี้ชาติก่อนเคยเคยดื่มสุราเคยเล่นการพนันเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพอมาเกิดชาตินี้ก็ยังมาทาแบบเดิมอีกพวกนี้เรียกมีวิบากกรรมติดตัวมาพวกที่ทำบุญก็เรียกว่ามีบารามีติดตัวมาเาให คำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายแต่คุณกนกการทําไมน้ําหนักของความอยากถึงมากกว่าคําว่าไม่อยากคะเพราะเราเร า, เรามีความถนัดเราชอบความอยากมันก็เลยทําให้มันหนักไปทา ง, ทางความอยากกันความไม่อยากมันก็เลยไม่มีกําลังเพราะเราไม่เคยไม่อยากกันเราม่แต่อยากกัน <c oughs> มันก็เลยมันก็เลยอยากกันมันเลยหนักมันมีกําลังมากกว่า เราไม่เคยหยุดเราเคยไม่เคยไม่อยากกันเลยมันเลยไม่มีกำลังแต่ถ้าเราหัดฝึกไม่อยากไปเรื่อยๆต่อไปความไม่อยากนี้ก็จะมีกำลังมากกว่าความอยากแล้วมันก็จะหยุดความอยากต่างๆได้หมดอาจารย์จะหยุดได้ก็กต้องอาศัยทาทานรักษาสีนภาวนาไปทำสามนีท้ทำสามขั้นนี้จะทำให้เกิดความไม่อยากเพิ่มขึ้นในใจเราทำให้ความอยากน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วหมดหมดกาลังไปในที่สุด อา่านะจะถามอะไรก็บอกเม่อที่อย่างนี้นะคืออันนี้อันนี้ตัวเองนะคะปกติก็ไปทําบุญประจำอย่างนี้นะ่ะแต่ก็ไม่เคยอธิษฐานมากขอให้เกิดชาติหน้าเปเลยอธิษฐานไม่ได้หรอก <c oughs> คือมันทําแล้วแล้วมันมันก็ได้ตามที่เราทํานั่นแหละอขอมากกว่าที่เราทําก็ไม่ได้เรียกเงินไปฝากร้อยหนึ่งล้วขอให้ได้แสนหนึ่งก็ไม่ได้หรอกเขออ้าใจไหเคยเห็นบางคน เขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจถ้าอยากจะก็มาเกิดดีก็ต้องทําเหตุที่ทําให้มันมีผลขึ้นมาัจะจะขอไม่ขอไม่สําคัญสําคัญที่การกระทําของเราถ้าเราทําแล้วไม่ขอมันก็ได้อยู่ดีเหมือนเราเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วบอกไม่ไม่ขอเงินคืนธนาคารก็ยังจะคืนเงินเราอยู่นั่นแหละเพราะมันเป็นของเราอ่ะในบางคนที่เกิดขอเกิดแจ้งปุ่มเลเรา เราก็เชื่อแบถ้าอยากจะไปเช่นไหนมันก็ต้องดูเหตุว่าทํำยังไงอยากจะไปอุดรไปยังไงเราก็มันขับรถไปทางสายนี้มันก็ไปถึงอุดรเองถ้าอยากจะไปปักใต้มันก็ต้องไปอีกทางหนึ่งมันไม่ได้อยู่ที่ขอขอแล้วมันถ้าไม่ไม่ขับรถไปมันก็ไปไม่ถึงอยู่ดีนั้นต้องต้องทําเหตุที่จะทําให้เกิดผลขึ้นมาเราไม่ต้องไปขอมันนะเอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา ไม่ต้องหรอไม่ต้อ ง, ไ ม, อง ไ, มไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว <c oughs> ไม่สนใจ <c oughs> ก็ขอให้นำ อ, อ, อะไรก็สมควนแต่แเวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอไม่ต้องให้พรเราหรอก <c oughs> <c oughs> <c oughs>